ไปก็กลับมานะดูในชีพที่แจกให้มานั้นครับเ ป, ป็นเปิดเลยนะมีพี่ขุนปาติโมกี้ไหมข่าวหัวข้อพระวินัยต่างๆครับข้อหนึ่งพี่ขุปาติโมกุขแค่ห้าตรงนั้นครับได้วมาครับที่แจกไปมานันนะครับนั่นแหละดูนั่นก่อนเดี๋ยวพันเต้ก็ดูกับไอ้ครับ วันนี้แจกเพิ่ม อ, อีกแผ่นหนึ่งนี่สุดแจกแล้ ว, รวนนจริงนะครับแจกนะครับมาดูเลยนครับสรุปนะแล้วหัวข้อตแต่นิทานลูกเทพมาถสรุปเราจะถึงปลายีตีนะครับเป็นหัวข้อหมุ่งแต่เพื่อได้จดจําไว้ครับข้อหนึ่งนี้ไมย่ยากนะพิคุบ ป, ปาติโมกกุเทศมีห้านะครับก็หัวข้อว่าปาติโมกข้มีห้าคือนิทานลุเทพใช่ไหมหัวข้อนิทานปราชิกุเทศ สังคารดิเศษสุดแท้อนนเนกสุดแท้และวิหารุเทศนะครับวิหารุเทศก็ตั้งแต่นิสกิยาไปดีไปจนจบนั่นนะครับชื่อว่าวิหารุเท้อุแท้ที่พิสดารใช่ไหมนะครั บ, นะรบก็มีห้าหัวข้อในการ น, นะนันร่นนิทานปราเชกสังขาริเศษอเนกแล้วก็เหลือก็คือว่าหัวข้อที่พิสดารทั้งหมดนะครับจบเ อ, อย่างนี้ส่วนปิคุณีปาติโมมีอยู่แท้แค่สี่หัวข้อแค่สี่คือ แวอนอนิยตุเทศไปนะครับก็มีที่เหลือ น, ะนี่ทางปราราเช่นพังหดิเศษแล้วก็ไปวิถานุเทศเลยของพิษณี้ไม่มีอ น, นิยตนะครับนี่นะต่อไปนะครับสองอันตรายสิบอย่างนะอันนี้สรุปนะหนึ่งพระราชาสเสด็จมาอันตรายเกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับว่าที่สา ม, มารถลงปฏิโมกย่อดได้ใช่ไหมเวลามีอันตรายใช่ไหมครับนี่นะหรือว่าอะไระ ลงปฏิโมกย่อนะครับเรื่องนี้เวลาพระราชาเสด็จมาโจนต้นไฟไหม้น้ำหลากมาคนมามากผีเข้าพิสูุนะครับสักร้ายเข้ามางูเลื้อยเข้ามาพิสุอาพ้าหนักจะถึงเสียชีวิตนะครับอันนี้รีบพา ไ, ไปส่งโรงพยาบาลก่อรักษาท่านก่อนนะครับแล้วรีบยอ่อปฏิโมกนี่เลยอันนี้เสียเปนอันตรายต่อพรมันชัน อาจจะมจีคนคู่เวรนะจะมาจับศึกหรือแม่ไม่อะไรงี่แล้วแต่นะหรือยากจะมาจับท้าศึกนะครับอันนี้ก็ได้นะครับอืต่อไปสองถ้าแบ่งเป็นห้าพวกนะครับก็มีสองจตุวะพวกสี่ใช่ไหมสองปัญจวะพวงห้าสองทศัศวะพวก 5. ส, สวิบสองวิสติวะยี่สิบนะครับสองอติเลกับวิสติวะพวกยิ่งกว่ายี่สิบนะครับ จะตูว่าพวกสี่เนี่ยอนะทำสังกรรมได้ใช่ไหมครับเว้นอะไรนะครับเว้นอัพานประสมบทในอัปสมบทนะครับอัพทานกับประสมบทใช่ไหมครับแล้วก็อะไรนะนี่นะครับแค่นั้นนะครับสงปัิจาว่างทำทำกรรมได้นะครับอัปวารณาจะตู่จะจตู่ว่าอัปวารณาไม่ได้หายนะท่านผับกรถิก็ไม่ได้หายครับ ถ้าปัจจาว่างเนี่ยวารณาได้กระถินได้อุปสมบทในปัจจันต์ชนนบทใต้นะครับก็เว้นอะไรนะอภาระอภารอุปสมบทในมัธยมประเทศนะครับสมทัาว่างครับทกรรมใดทุกอย่างเลยเห็นอภานกรรมสงวิสติว่างทำกรรมใดทุกอย่าง อติเลกาวิสติยิ่งกว่ายี่สิบ ไ, ไม่ต้องพูดถึงเลยแลได้หมดเลยอุโบสถวันอุโบสถนะครับแม้ได้เป็นสามวันคือวันอุโบสถสิบสี่ค่ำอุโบสถสิบห้าค่ำก็สามขีอุโบสถนะครับแต่ถ้านับเป็นอุโบสถเก้าจะหน้าอย่างนี้นะครับเนื่องด้วยวันมีสามเนื่องด้วยผู้ทำมีสามเนื่องด้วยอาการมีสามเนื่องด้วยวันสามก็คือปณรัตสิอุโบสถอุโบสถสิบห้าค่ำ <5 o> <ura> สะดุดท่านสี่อุโบสถอุโบสถสี่ขั้มสามมังคีอุโบสถอุโบสถวันสามมังนะครับอันนี้กี่กวันนะครับเนื้อด้วยผู้ทำก็มีสามกันคือสังฆอุโบสถอุโบสถของสงฆ์คณะอุโบสถอุโบสถของคณะบุคราอุโบสถอุโบสถของบุคคลครับเนื้อด้วยอาการก็มีสามครับสุดเทสะอุโบสถอุโบสถคือการ ส่วนพระปาติโมครับสุดท้ายสระหัวข้อสูตรชั้นแรกสุดปาติโมบริสุทธิ์ที่อุโบสถอุโบสถคือการบอกบริสุทธิ์ที่นะครับบอกบริสุทธิ์อันนี้ถ้าท่าไม่ครบสี่ใช่ไหมล้วไม่ต้องลงปาติโมนะครับให้บอกบริสุทธิ์นะครับมีสามหรือว่าสองนี่นะอธิษฐานอุโบสถอุโบสถคือการอธิษฐานถ้าเราอยู่รูปเดียวนะครับเราก็อธิษางอุโบสถไปอัชฌาเมอุโบสถโธ ปันนันโสอธิษฐามิครับเพราะว่าไปนะจะปันหน้าก็สิบห้าใช่ไหมจารุราาก็สิบสี่นะครับต่อไปโปรานาก็มีเก้าเหมือนกันนะครับเกียรับวันนะปัาละศีปรวนาสิบห้าค่ำจารุเทรศีโปรวนาสิบสี่ค่ำสามมุขีโปรวน า, า, 14, า, า, าวัานสามมุขีเกี่ยว บ, บุคคลก็มีสามสังฆาโปรวนาของสงคณะปรวนาของคณะ บุคคลภาวนาภาวณาของบุคคลครับแล้วเกี่ยวกับอาการก็มีสามเตวากิกาภาวนาภาวนาที่ประกอบด้วยวาจาสามคือแปลงวาจาสามครั้งใช่ไหมสังคพันเตภาวเรมินะครับแต่ละครั้งนะถ้าไมวาจิกาภาวนาภาวนาที่ประกอบด้วยวาจาสองคือถ้าเวลามันจะไม่ทันนะครับอารมณมันจะขึ้นก่อนอย่เงี้ยนะ ให้ภาวนาแค่สองครั้งก็ใช้ได้นะครับสมานาวัสิกาภาวนาภาวนาของพิผูพุยภาษาเสมอการครับหมายความว่าแม้ภาวนาสองครั้งก็ไม่เวลาก็ไม่พอเนี่ยอารุณก็จะขึ้นแล้วนะครับเนี่ยท่านก็ให้พิจูพุยภาษาเสมอการนะว่าภารณาพร้อมกันเลยนะครับนี่นะได้ต่อไปนะครับตามเมื่อกี้ภารนาเนี่ยตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิเอ็นะครับ ถึงขึ้น15ค่ำ12ธรรมนาวันปอน า, านี่คือปวนาต้นนะครับเราจะปวนาออพรรษาตอนที่วันขึ้น15ค่ำ11นะครับจำไว้นะเราเข้าพรรษาวันไหนนะครับวันแรกหนึ่งค่ำเดือนเดือนแปดนะครับออกพรรษาป่อนาวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับอย่าทีนี้ ของพวกนี้เข้ากำลังคลองวิวางแต่ยังไม่หายนะเข้าปนาวันนี้ยังไม่ได้นะครับะแต่ว่าเมื่อปงนาวันนี้ยังไม่นดม่เป็นไรพองกอนุ่ย่างนะครับเ mm hmm. ข็โปวนาไปถึงมลอยกทงนะึ่สิบห้าขนปสิบสองนะครับอันนี้เป็นเข็มของการปวานานะช่วงนี้นะครับตั้งแต่หลังสิบห้าขนไปสิบเอ็ดไปเนี่ยก็จะเป็นแรงหนึ่งเข้าหนึงสิบเอดใช่ไหมไปถึงนู่นหละึงสิบ้าขึ้น1 5สิบสองสามเมื่อคินก็ได้วันใดวันหนึ่งนะครับ ก้อยปอนาววันนั้นได้เลยอันนี้นะให้เวลาหนึ่งเดือนนะครับต่อไปถ้าพ่สู่ผู้ถูกก่อโกวนใช่ไหมเลื่องปอน า, าเป็นวันแรมหกสิบสี่ค่ำหมายควา่าธรรมดาเราจะปอน า, ากันวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ด่มครับแต่มีพิสูจนะแล้วมาก่อกวนนะเราก็เลยไปอีกข้าหนึ่งนะครับอีกข้าหนึ่งอีกปังอีกวัพัหนึ่งออีกปังหนึ่งครับใช่อโบสดหนึ่ ง, น, ง น, นี่นะ มันก็จะกลายเป็นวันแรงสี่ค่ำใช่ไหมครับเป็นสบิบเอ็ดถ้าะันนั้นเขายังมาต่อกวนแล้วก็เลื่อนไปอิวโรโซนหนึ่งครับเป็นวัยกระทงพอดีก็สิบห้าก็หนึ่งสิบสองถ้ายังมาอีกก็เลื่อนไม่ได้แล้วเพราะเขตโพวิามีแค่นี้นะครับต่อไปนะครับเจ็ดปตากะละองสี่อันนี้ง่ายแล้วหนึ่งเป็นวันอุโบโนสองที่สู่ผู้สมควรแก่กรรมเพียงพอ ตาขนมจำนวนอย่างต่ำเพื่อสีรูปนะคสามสงไม่มีสภาคาบัตสี่บุคคลต้องห้าไม่มีเีตในสงนะครับไม่มีเหตมต่อไปแปดสีมาวิบัติสิอเอ็ดอย่างนะครับหนึ่งสีมาและเกินไปสองสีมาใหญ่เกินไปสามสีมามีนิมิตขาสี่ 4. สีมามีเงาเป็นนิมิตห้าสีมาไม่มีนิมิต อกสีมาที่พิกษุยืนอยู่รอกสีมาสมมุติไวจะสีมาที่สมมุติในแม่นางแปดสีมาที่สมมุติในทะเลเก้าสีมาที่สมมุติในฉากเกิดเองสิสีมาสมมุติข้าเกี่ยวกันสิบเอสีมาสมมุตทิทำสีมา <c oughs> สีมามีนิมิทานเป็นยังไงครับอีกนี้ครับร้องไได้ ไม่ได้รองผิดครับทั้งนิตไม่เชื่อมกันใช่ไหมแล้วมันแต่ทิศเหนือแล้วก็มาทิศต้าทิศตะวันตกไม่ใช่ไมีใช่ผิดนะทิศตะวันออกใช่ไหมแล้วทิศตะวันออกแล้วก็มาทิศต้าแล้วก็มาตะวันตกแล้วก็มาทิศเหนือแต่มันได้กลับมาตรงทิศตะวันออกอีกครัไม่เชื่อมกันนะครับช่วยมินิมินคาร์สีมาไม่มีนิมิตเลยก็คือ ไม่ได้ทักเลยนะครับ <laughs> ไม่ได้ทักะลยนะยงนี่นะครับส่วนสมมุติในแม่น้ําอันนั่งง่ายอยู่ไแล้วนะครับพ่อแม่น้ําทะเลสะเกิดเองเนี่ยมันเป็นอพัทธาสีม้าข้าอยู่แล้วจะมาสวดมีพัทเป็นพัทธาสีมาไม่ได้นะครับสีมาข้ามเกี่ยวกันเป็นไงครับสีมาข้าเกี่ยวคือสีม้าสองขั้นสองสีมาขั้นนั่นก็มีทับอีกข้นเพราะข้อสิบเอ็ดเนี่ย และข้ามเกี่ยวทับคะแนนต่างกักนยังไงครับถ้าต้นไม้ข้ต้น bueno. ไม้ข้าวต้นไม้ข้ต้นไม้ข้าวต้นไม้ข้าต้นไม้ข้าวต้นไม้นะครับเอาเอาแค่ไหนนะครับชื่อว่าข้ามเกี่ยวแค่ไหนชื่อว่าทับ น, นี่นเนี่ยมันมีความเหมือนกันน่าจะเพาะมันจะต่างกันหน่อยนะครับ <'t> เขาจะกำหนดว่าแค่ไหนชื่อว่าข้ามเกี่ยวแต่แค่ไหนถึงชื่อว่าทับ น, นะครับ ไม่ได้นะหมายว่าข้ามมีสีมาเก่าใช่ไหมเราไปสมมุติสีมาใหม่เท่าเข้าไปนะครับกินที่สีมาเก่านะจูพิสูดสีรูปไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ชื่อว่าข้าเกี่ยวแต่ถ้าจูได้ล่ะสีมาทับสีมานะครับไปกินใดข้าตั้งแต่ผ้าสีรูปไปอยู่ได้นะหรือว่ามากนั้นจนทั้งหมดก็ได้นะครับอันนี้ชื่อว่าทับต้องกา้ เราไปนะครับมานีย่เลยเก้างงอย่านี้ง่ายนะนี่ไม่สีมาแปดอย่างนะครับนี่จําไม่ดีนะมีภูเขาก้อนหินปา่าต้นไม้ถนนจอมปลัวแม่น้ำนะนะครับเรากําหนดให้ดีว่าเราจะอะไรขึ้นต้นให้จำง่ายๆนะมีภูภูเขาก้อนหินต้นไม้นะครับอะไรนะจอมปลัว ต้นไม้ไม้ใช่ไหมภูเขาก้อนหินต้นไม้ไม้น่าจะจอมปัวนะถ้าเราจะเร่งง่าย ๆ, ๆเนี่ยมันจะได้พวกเดกันใช่ไหมน่าจะภูเขาจอมปัวกเล่งมาตามลำดับใช่ไหมภูเขาจอมปลวก้อนหินนะครับถ้าต้นไม้ปางไหมต้นไม้ไมปางนะครับน้ำแม่น้ําแล้วก็ถนนถนนอยู่คนเดียวเลยเนีย่ยนะ เพรต้นไม้กับปาาคู่ใช่ไหมครับแม่น้ํากับน้ำก็มาคู่กันถนนนี่ก็ดีอยู่เลยนี่นะถนนจำไม่ง่ายต่อไปสีมาสมบัติสามอย่างนะครับก็คือนี่ไม่สมบัติความถึงท้องด้วยนี่ไม่ใช่ไหมถูกต้องะครับทุกอย่างบริษัทสมบัตินะครับกรรมาวารจารสมบัตินะครับบริษัทก็ไม่มีใครท า, างเนี่มาครบให้ฉันทา น, นี่ครับกรรมาวารจาถูกต้อง สิบเอ็ดอับพัธสีมาสามอย่างเป็นสีมาที่ไม่ต้องสมมุติเป็นสีมาธรรมชาตของค่าหนึ่งค่าว่าสีมาหมู่บ้านทั้งหมดนะครับเป็นสีมาธรรมชาติเลยทําเชิงกรรมได้เลยนะแต่ว่าต้องนิมนต์พักหนึ่งบ้านทั้งหมดนะครับมาเข้าถวาี้มอกให้มอกท่านหมอยสังเภาสัตตพันธราสีมาสีมานะครับป่าที่ไม่มีบ้านทนนะครับเป็นป่าแถวชายแดนหรือว่า เป็นเ ก, กาะกลางทะเลนะารที่พวกชาวพมงปันะและ้วกบไม่คันในวันนั้นนะครับอชื่อว่าสต๊าฟพันธุ์สีมาสีมาเจ็ดพันดรแได้สีมาป่าที่ไม่มีบ้านคนนะอุตตะกุเขฝาสีมาสีมาวัางน้ำนะครับสีมาว่างน้ำ น, ะ, ะ, น, ำน ะ, ะก็ได้แก่อะไรทะเลสาบนะครับก็ไหลน้ำแม่น้ำนะครับพอเวลาลงไปปุ๊บนะครับ เขซีมาของเราจะมีเลยนะในนั่มจากอะไรไปครับน้ําจากท้ายบริษัทออกไปนะครับหนึ่งวักน้ํำสระนี่ครับ น, น, น, นั่นแหละเป็นเขตสีมาของเราครับที่จะทําทการของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเลยนะอันนี้เราถึงเราจะไม่วักก็แล้วแต่นะครับพอดูไปทำแล้วก็เหมือนว่าเนี่ยเขตสีมาแล้วก็กลุิมานี่นะครับแล้วก็ได้เขตสีมาเลยต่อไปบุคคลกรนะครับ พวกรืออะไ ร, ระคือสิ่งที่ต้องทําก่อนอทําก่อนลงโบสดแล้วก็ทําก่อนที่สองจะประชุมกันด้วยนะครับก็หนึ่งการปรดกวอบลงโบสดสองการตามประที่สามการเตียน้ำฉันน้ําใช้สี่การปูราาอาัสนะนะคะรับบุคคลกิจกิจที่ทําก่อนลงโบสดแต่ว่าส่งประชุมกันแล้วใช่ไหมครับหนึ่งการนำฉันท่า สการนําปริศนที่สามการบอกหรืออยู่สี่การนําจนวนท้นสูตรห้าการแจ้งโอวาทที่ปรษุณีมาขอสิบสี่นะครับอาการต้องบัตรหกยาหนึ่งต้องเพาะไม่หนายว่านี่หนักเพรานี่หนักนะสองต้องเพาะไม่รู้นะครับไม่รู้ก็ผิดไม่รู้ก็ต้องนะสามต้องเพาะสงสัยและขืนทำ อันนี้โยมตลอดเลยนะสงสัยนี่ไม่ได้เลยสี่ต้องพ้อสำคัญว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรเนื้อหมาเขาเ้าจะว่าเป็นเนื้อหมูอย่า <c oughs> งนี้นะเจะตัวอย่างง่ายๆนะครับห้าต้องพ้อสำคัญว่าไม่ควรในสิ่งที่ควรเนื้อหมูถ้าชั่นนะครับไปเข้าใจว่าเนื้อหมาแต่ท่านเฉันนะก็ต้องอ่านันะครับหกต้องเพราะความครั้งเผลอเผลอสติลืมไป แก่เด็กๆที่วอนกินสิบวันไปแล้วถ้าจะว่าอยังไม่เกินนี่อย่างนั้นนะครับเป็นต้นต่อไปลักษณะอัลชีสามอย่างหนึ่งจงใจซ่องอาบัตสองปกปิดอาบัตไว้สามถึงความลำเอียงข้อในข้อหนึ่งก็ถือว่าเป็นอัลชีแล้วนะคบจบสรุปหัวข้อหมูกต่างๆในนิทานแล้วก็ใส่ใจดีอันไหนที่เด็กๆที่น่าใส่ใจขอให้ผมสรุปให้นะครับ เยวพวกอันตรายสิบอย่างนะครับแล้วก็นิมิตสีมาที่จํำนะมันก็จํายากนะอาศัยดูบ่อยๆนะครับจะช่วยนะแล้วฟังเอาฟังใจเข้าไปด้วยนะครับก็จะช่อยเราได้ต่อไปนะครับพวกอภัตตาสีมานี้ก็น้าจํานะนิมิตสีมาแล้วก็อภัตตาสีมาครับเราจะได้ดนอาการต้ออากเสบาไม่อย่างนะนะครับต้องต้องรู้เลยต่อมานะครับปราชิกนะครับ สรุหัวข้อที่ในประลัชิกนะหนึ่งองคผสมบทมีแปดอย่างนะครับหนึ่งเอหิปิคูผสมประธานองค์ผสมบทด้วยเอหิปิขูพระเจ้าประสมบทให้เองนะครับด้วยเหยียบผ้าเบื้องควาอไปใช่ไหมแล้วต่ามันยังไงครับเธอจะเป็นวิสุมาเธอทํมาลาสามดีแล้วนะครับเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบเธอ หนึงนครั บ, รบแล้วก็เป็นเลยใช่ไหมแพทยคารวะหายไปนะครับแล้วก็บริหารแปะอะไรก็เ <ๆ S 2> ข้ามาสูบดิกาท่าเลยระครบเหมือนกับพระเถระตั้งร้อยศรรษาหน้าเรื่องใสมากนะครับอือสองติดสาะค้ามมนุกสัมปทานองค์สมบทด้วยการถึงไตจ า, านะคมนะครับสมัยก่อนพระเจ้าทรงอนุญาตนะครับสมัยนี้อนุญาตให้แค่บรรพชมสำมาน ฟังฟังนะสามโอวาท้าปฏิ่าอุปสมบทาอุปสมบทด้วยการรับโอวาครับใครเข้าอุปสมบทองใครอเพเข้าเพโอวาสไหมเล่นกับใครกาสปาครับครับหุดผลิตมาเนี่ยเพิ่มอาหารกสปาเลยนะครับก้ว่าเป็นท่านอาจามันตานิมทีนครับแต่ก็หลายรูปอยู่นะรับษาระคมสารหลายรูปนะครับ ปัญหาพย า, ยากรณ์ประสัมพทาอุปสมบทด้วยการตอบปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นขอ้ขอข้อสามเียโศปังการนะครับถูกต้องนะครับห้าอัฏฐขลุธรรมะปฏิฆานประสัมพทาอุปสมบทด้วยการรับขลุธรรมแปดประการคเขาขอพระชาติที่ดีเขาถต้องนะครับพองทูตเตนุประสัมพทาอุปสมบทด้วยผู้นะครับหญิงงามือ น, นะครับ ชื่อว่านาอัธาการสีขณิกา น, นะครับมีนะอัธฐการสีนะครับขณิกาอเป็นหญีงามเลย น, น, นะต<ม>่อไปเจ็ดนะครับอัฐาวาจิกูปสมภอุปสมบท ด, ด้วยวาจาแฝงนะครับด้วยคาวาจานะครับแฝงนะก็ได้แกูุ่ปสมบทของวิสุณีนะครับ<ม>เบพรา<ม>ะว่าต้องบวชจากที่สุส่งแล้วก็วิสุณีสงข์ใช่ไหม ยติจูฬกรรมสองฝ่ายก็ได้เป็นแปดนะครับแปดยติจูฬกรรมว่กรรมะอุปสมบทานุปสมบทด้วยยติจูฬกรรมวานจานะครับของที่สู่สมัยปัจจุบันแหละนะครับตั้งแต่ที่ฟองทรงอนุญาตมานะถึงวันนี้นะครับสองสมบัติและวิบัติของกรรมของสังหกรรมนะอย่างละห้าสมบัติก็มีห้าวิบัติก็มีห้านะครับก็มีวัตถุ ยตัตติอนุสารนาสีมาและบริสัทแห่งพิสุทนะครับวัตถุถ้าเราพูดถึงการบวชนะวัตถุนี่คือใครครับคนาีด้จะบวชนะครับยัตเตียนุสาวรนานชั้นแล้วธรรมวาจาสีมาเขาชั้นนะครับบริสัทธ์แห่งพิสุทก็ที่เขาไปทํากรรมใช่ไหมครับต้องนะครับต่อไปอาก้าภาคบุคคลเสวยจำพวกนะครับบคุคคลที่ผู้ที่ไม่ควรนะ<แ>เพื่อจะบรรลุมรรคผลที่พ่านนะครับคนนี้ หนึ่ง <c oughs> บันดองครับสองคนลักเพศสามพิสุผู้เข้ารดิเดชีสี่สัตว์ดัรษณ์ห้า 5. ผู้ข่ามารดาหกผู้ข่าบิดาเจ็ดผู้ข่าพระรหันต์แปดผู้บุสร้ายนาพิสุนีเก้าพิสุผู้ทำลายสงสิบผู้ทำร้ายพคตเจจ้าจงทำให้หอบข้าเรหสิบเอ็ดบุคคลสองพศนะครับ เดยเลี้ยประตูเพียรชนุกนะอือครับต่อไปสี่บันดอกห้าจำพวกนะครับคำว่าอะไรนะหนึ่งอาสิตาบันดอกคลายกําหนัดด้วยการดุลหน้าสติครับพวกนี้โหธรรมาบุญอันตรายเหมือนกันนะเกิดปวดได้ครับพู้นี้นะแปลงนะครับปวดได้ด้วยนะสองอุสิวย่าบันดอกบันดอกที่คลางความกําหนังด้วยฤทธิยาคนมีแพทย์สัมพันธ์กันนะครับพู้นี้ก็ยังปวดได้ใช่ไหมครับ สามโอปักมิการ์บันดอบรนดอที่ถูกตอนอันดาออกนะครับคนนี้บวชไม่ได้นะครับสี่นักุูสกาบันดอบุคคลที่ไม่มีพาวารูปตั้งแต่เกิด น, นะครับคนนี้ก็บวชไม่ได้ห้าปักขาม บ, บันดอบุคคลที่เป็นบรนดอในเวลาข้างแรก็บวชได้เฉพาะเวลาข้างขึ้นนะห้าเธอแยกสังวาสหาจำพวกนะครับผู้รักสังวานะหนึ่งคนรักเพศนะครับ รับเแพทนี่เป็นยังไงครับคืออย่างนี้แอบบูทงยๆบวชโดที่ไมไมีกวบวิบเชยครับเขาเรียกว่าปลอมบวชใช่หมครับคนที่ปลอมบวเอาเองแต่ว่าแกก็ไม่นับความศึนษาอะไรนะไม่ยินดีกับรูปร่งสังวาไม่ได้รูกสักรรมอะไรครับแค่มาปลอมบวชเฉยๆนี่เรียกว่ารัางแพทสอนคงรงสังวาครับอันนี้รัาสังวาอย่างเดียวเลยครับ ถ้าถูกต้องนะครับถ้าเขามีเพศเป็นสมณะนะใช่ไหมครับแต่ปรลักษสังวาสใกาานการนั่งเป็นพระนั่งผสมพรษาเป็นต้นนะครับสามคนที่รักทั้งแพทย์และสังวาเนี่ยอันนี้มาแต่เป็นโยมเลยใช่ไหมปลอมบวชเองแล้วก็มานั่งผสมพรรษาทาสำกรรมกับพรนะครับอันนี้ต่อไปหกโทษของบริสัทสามอย่างนะครับหมายความว่าถ้ามีโทษเนี่ยนะกรรมนั่นก็จะใช้ไม่ได้นะครับหนึ่งพิสูจน์ข้าร่วมกรรมไม่ครบจํานวน สุดปฏิโมกข์ภาคแค่สารูปนี่นะไม่ได้นะบัวก็ถ้าไม่ครบห้าเนี่ยก็ไม่ได้นะครับสองไม่นําฉันทะของพิสุผู้ควรฉันทะมาอันนี้ก็เสียหมายว่ารูปนั้นเขาก็อยู่ในสีมานะแต่อยู่นอกธรรมบากใช่ไหมครับไม่นําฉันทางท่านเข้ามากรรมก็เสียสามพิสุผู้อยู่พร้อมหน้ากันคัดค้านกรรมครับผมไม่เห็นด้วยอย่างนี้แซนเลยนะกรรมนั้นก็ไม่ผ่านนะครับ ต่อไปนะครับเจ็ดอันนี้อันนี้สาวมาให้แม่นเลยการลางสึกค้ามีองค์หกนะครับประกอบด้วยองค์หกคือหนึ่งจิตเหตการความพยายามบุคคลการรับรู้รเราสามารถท่องจำง่ายๆได้เลยนะจิตเหตการความพยายามบุคคลการรับรู้นะครับจิตที่จะเสิอเข็มคือคําพูดที่มันถูก ต, ต้องที่ท่านบอกไว้นะครับคําพูดที่เป็นเหตุการศึกนะการก็ต้องใช้คําที่เป็นปัจจุบันาการนะครับ ความพรรย า, ยาก็ต้องด้วยวาจานะด้วยกายเขียนจุดหมายนี่ไม่ได้บุคคลก็คือคนนั้นแหละที่จะสึจนะครับไม่ได้เป็นบ้าจะสสีนะเปี่ยนดีๆอยู่นะครับการรับรู้คนรับรู้ต้องเป็นมนุษย์นะครับไม่ได้บ้าไม่ได้อะไรนะแล้วก็อะไรนะครับรู้ความในขนาดนั้นนะครับแปดพวังสามสิบนะครับหนึ่งบุรุษมนุษย์นะครับอย่างบุรุษแบ่งเป็นสาม มนุษย์มนุษย์เดรัจฉานนะครับสคนมีอย่างละสองทวาร น, นะครับคือหนักแล้วกป็ป่ามันก็ได้สองสามก็ได้หกแล้วใช่ัหมครับบันดาลก็มีสามจำพวกมนุษย์มนุษย์เดรัจฉานอย่างละสองทวารคือหนักแล้วป่านะครับก็ได้เป็นหกหกบวกหกเท่ากับสิบสองนะครับต่อไปสตรีมีสามจำพวกมนุษย์มนุษย์เดรัจฉาน อย่างละสามถวายสาหนักเบาปาสามบวกสามก็ได้สามคูณสามเก้างนะครับนีนะพตัวเพียรชโนโกวเหมือนกัรมนุษย์อมนุษย์เดรัชฉานแต่ละอย่างก็มีสามถวายก็ได้เป็นเก้านะครับเก้าสองสิบแปดนะครับสิบสองบวกสิบแปได้สามสนะครับถูกต้องันนีหมานี่อันนี้นกสนแล้วนะเก้านะครับ เ้ามาติกาสำหรับวินิชฉัยวินัยสิเจ็ดข้อเนี่ยนะโอ้ถ้าใครจำได้นีดีเลยนะถ้าจำนิยามนะครับถ้าคนที่ได้บาลี จ, จะสะดวกนะจำภาษาบาลีเลยผมจะท้อให้ฟังจำได้นะนี่ทานมุขคลังวันถุงปัญญติวิธิเมวจจะนะครับอนัตตาปฏินาปฏิวิปติงอังฆเมวจจะสมุทธานวิทิงกิริยาสัญญาจิเตหินานตัง วัชกัมมะประเภทันจากติดการทวายาวิถึงตถาและขนณงสัตตละสาทธิตังสาธาระหนังอิธรรมเยตวายโยเชยะเมธาวีตัถาตตถายะถาอรหันนะครับอ้ยขนาดท่องภาษาัาลีก็ยางๆนะเนี่ยสั้นเลยนะครับสักํามบาทนะผเขียนสูตรไว้เท่านั้ะครับสาคาถานะครับไม่ใช่สามบาทเก้าบาทนะหนืงนิทานนะครับอันนี้เป็นหัวข้อสาหรับการไม่ใช้สื่ขาปทุกข้อเลยนะ ก็ค์สิ่อนครับหนึ่งนิทาได้แก่สถานที่บัญญัติศิขาบนสองบุคคลเขาได้แก่ผู้กระทาการละเมิดครั้งแรกสามวัตถุได้แก่เรื่องที่ทําการละเมิดอะไอเสียเมีถึงต้นนะสี่ปัญญติวิธีบรรยศ่ญ่ญ้าอย่างนะครับมีบัญญัติอนุบัรรยศ์ต้นนะครับห้าอนัตติเกี่ยวการสั่งผูอื่นบญญางอย่างก็กเป็นอะไรนะ สังก็เป็นมีอย่างสังก็ไม่เป็นนะครับ6อาร์ปฏิประเภทในอาร์บาดนะครับเช่นว่ามีอะไรนันก่อนจะต้องประราชีกใช่ไหมก็มีจำต้องทุกโกรทําให้ไว้ถึงนละใจเคลื่อนฐานประราชีกนะครับหรือว่าอาการที่ต้องอาบัตในะครับงนมีหลายอาการได้หลายอย่างนะครับอันนี้เป็นประเภทอาร์บาดได้7อนาปัตินะครับอาการที่ไม่ต้องอาบัติมีอะไรไม่จงใจหรอไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ อวิสุบ้านนะครับแล้วก็แป่วิปัตตินะครับความวิบัตินะครับความวิบัติจะที่บาอจจะเขียนข้างหลังอีกทีนะวิบัติมีมีสี่นี่ไหมสี่วิบัตินะครับอาจะเจ้าวิบัติเทถิวิบัติอ่าชืว่าวิบัตินะครับก้าอังคะองคนะครับได้แก่องคประกอบที่ทาให้ต้องอางบัตินะครับสิคราวันนี้มีองห้าคือจุดจุดจุดครับ ต่อไปนะครับสิบสมุทฐานวิธีสมุทฐานที่ทําให้ต้องอาบัตนะครับสิบปกิริยานานต่างความต่างกันแห่งอาบัตโดยกิริยาเป็นกิริยาหรือว่ากิริยาใช่ไหมเป็นจะมีอะไรบางอันก็เป็นกิริยากิริยาก็มีใช่ไหมครับบางอย่างก็เป็นกิริยาก็ต้องเพราะการทำกิริยาก็ต้องเพราะไม่ทำบางอย่างต้องเพราะทั้งทําและไม่ทํานะครับบางอย่างบางต้องเพราะทาก็มีเพราะไม่ทําก็มีนี้นะครับ หลาอย่างอธิบายหมดแล้วนะครับ12สัญญาณนันต่างความต่างกันแห่งอามบัตโดยสัญญาครับโนสัญญาไม่โมกนะนะสัญญาไม่โ ม, โ ก, นนญญโมโกนะครับ13จิตตะอนันต่างความต่างกันแห่งอามบัตโดยจิตว่าเป็นสจิตกจตการเรื่องจิตกะนะครับ14ว่าชอบประเภทประเภทแห่งโทษเป็นอะไรครับมิกยางปเภทแห่งโทษเนยเป็นอะไรอะไรว่าช้ามาอะไราามัชชะ ลงกับวัชชาปันณุวัชชาคำถูกต้องสิบห้า ค, คำว่เพทะประเภทแห่งกรรมเป็นกายกรรมหรือวจีกรรมนะครับสิบหกุศลติกะวิธีวิธีการจำแนกวิธีจำแนกการต้องอ้างบัตด้วยจิตสามมีกุศลจิตเป็นต้นนะครับสิบเจ็เวทนาติกะวิธีจำแนกการต้องอางบัตด้วยเบบวท น, น, นาสามอย่างมีสุขเวทนาเป็นต้น เพราะว่าสูุภูเบกขาใช่ไหมกุศลกุศลเพิกตานะครับสิบนะครับประเทศสามัญญาสี่อย่างเป็นธาตบัญญัติที่มีใช้เฉพาะที่เป็นอาบาัติเฉพาะที่นะครับหนึ่งการผสมบทด้วยคณะซึ่งนับพระวินัยทองไปรูปที่ห้าอันนี้ถ้าเป็นมัธโยประเทศจะใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับใช้ไม่ได้กาเมืองมิบัตทใช้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ถ้าในในอะไรนะปัจจันประเทศได้ สองการใส่รองเท้าที่ทําตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปในมัธยมประเทศก็ไม่ได้เป็นอาบัต น, นะแต่ในปัจจุบันประเทศได้นะครับสามการอาบน้ํ า, าเป็นประจำเ น, นี่ยอันนี้ก็เป็นอาบัตเฉพาะในมัธยมประเทศนะครับบ้านลังก็ได้สี่การปูรากเครื่องหนังใช้เครื่องหนังนะครับอันนี้ก็หา้ามพาะในมัธย ม, มประเทศในปัจจุบันประเทศก็ได้นะครับนี่นะแต่ก็ต้องดูนะเป็นหนัง หนังที่เราจะมาปูเตียงปูต่างด้านมันต้องเป็นหนัทนไ ง, ไ ง, นะนงที่เป็นกระปิยะใช่ไหมครับอย่างนี้นะนั้นนี่เป็นกระปิยะหนังของอะไรครับแก้งว่าหนังแก้งกวานะครับถูกต้องนะพวกแก้งพวกความพวกละมัาาง่งพวกอะไรพวกนั้นใช่ไหมส่วนหนังของสัตว์ี่เหลือมีหนัวนงวัวหนังควานมันต้องเป็นกระปิยานะครับล่าจรสีเสือข้องเสือเหลืออะไรพวกนั้นนะก็เป็นกระปิยะหมดนะครับใช้ปูล่าเตียงตัางไม่ได้นะที่เป็นกระปิยะ แต่ว่าใช้ผูพื้นได้นะครับใช้ผูพื้นได้นะต่อไปนะครับอันนี้นะ อ, 5, อห้ามเพอนั้นมัชชิมประเทศนะครับแต่ใ น, นปันจจุบันประเทศเราใช้หนังได้นะใช้เครื่องลายหนังได้นะครับก็ตามกรณที่ว่ามานะนะสิบเอ็ดลักษสะมูลฐานมีหกด้วยกันคือกายวาจากายวาจากายจิตวาจาจิตกายวาจาจิต สิบสองประมาณปลาราชิ้นสี่อย่างปราร้าชิ้ข้อหนึ่งประมาณเหมือนกับรูที่ถูกตัดศีรษะแล้วนะครับเมื่อรูถูกตัดศีรษะแล้วก็ไม่สา ม, มารถที่จะคุ้มกันอาไว้ว่าที่เหลือได้ใช่ไหมเพร่าตายแล้วนะครับที่สุดที่ต้องปราร้าชิ้เศษเป็นถุนแล้วก็อย่างนี้นะครับไม่สา ม, มารถที่จะอะไรนะไอ้ผู้พ่ายแพ้ศาสนาไม่เจริญแล้วนะครับสองครับใบไมเ้เหลืองหล่นจากขั้วนะครับใบไม้เหลืองที่หล่นจากขั้วแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับมา เขียวสดได้อีกชั้นใด น, นะครับพิสูจนต้องปาราชีนแล้วก็ชั้นนั้นจะเล่นงอกง้ำไม่ได้แล้วในสถานานี้ถ้ายังไม่เ ส, ร ส, สิร์ฟนะสามศิลาหรือว่าหินแตกศิลาที่แตกเป็นสองเสียงนะครับไม่สามารถที่จะเอามาติดให้สนิทเหมือนเดิมใช่ไหมนะครับที่สุจนที่ไปอะไรไปค่ามนุษย์เป็นปาราชี่แล้วก็เหมือนกันนะครับสี่ตายอดด้วนนะครับตายอดด้วนแล้วมันก็จะไม่งอกเทมซ่า ไม่งอนก็จะตาที่สุดนะที่สุดที่ต้องปราร้าที่หูตัอรีแล้วนะครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็จะไม่มีการเสนอข้องานสนานอีกรนะู้ทายแพ้ไม่มีสางว่างครับนี่นนะจำไว้รู้ศาสรสรุปมาถึงขนาดนี้นะจํำไวนะ้นะมูกประมาณปลาราชินะ้นหนึ่งนสี่อย่างรถูกตัดศีรษะนะครัใบไม้หึงหนอนจากโคู่นะครับศีไไรษแตกตานยอดด้วนะ สุตัสศีสระใบไม้หรือศิลาแตกต่างกันด้วต่อไปสารอธินาทานนะครับพิจารณาฐานะห้า 5. หมายถึงเวลาถ้ารูปไหนไปรับขโมยของมาเนะี่ยต้องพิจารณาฐานะห้าอย่างนี้ก่อนอยากขึ้นปะอบัตันทีพิจารณาถึงวัตถุนะครับวัตถุนั้นว่ามีเจ้าของไหมผมไปรับมาอย่เนี่นนะตอนน้องรูว่ามีเจ้าของมนะครับไม่มีเจ้าของก็<ม>ก็ไม่เป็นบาลาชิกนะครับ แล้วถึงมีเจ้าของจริงแต่เจ้าของขงแหหรือเปล่าเห็น mm hmm. ไม่ดูต้องดูนะการเวลาว่าท่านไปขโมยเวลาไหนนะครับ mm hmm. เวลาที่ของราคาขึ้นหรือว่าของราคาลดเนี่ยนะครับ mm hmm. สถานที่ว่าเป็นขโมยที่ไหนครับ mm hmm. ผมเป็นขโมยในสวนเลยท่านที่มันอจะราคาถูกหน่อยใช่ไหม mm hmm. ถ้าไปที่นี่ก็ราคาแพง <c oughs> แล้วดูราคาขึ้นลงแล้วขอไม่แน่นอนนะบางทีก็ราคาขึ้นบางทีก็ราคาลงคนะบางอย่าง ก, ก็แค่อะไรนะ บ่าแค่ออกมาจังแล้วราคาก็ตกแล้วใช่ไหมเอากลับไปขายเหมือนเดิมราคาไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับหรือว่าแกะแค่แกะกล่องนี้นะแค่แกะกล่องราคาก็ตกแล้วนะครับต่อไปการบริโภคใช้สอยว่าได้ใช้หรือบ้างหรือยังถ้าได้ใช้แล้วดีจะตีราคาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับราคาตกเนี่ยให้พิจารณาฐานะานี้ก่อนแล้วค่อยวิจัยนครับสิบสี่การฆ่าสัตว์มีอหกมิธีคือ ค่าด้วยตนเองสองค่าด้วยการขวาา้างปาสามค่าด้วยการสั่งนะคสี่ค่าด้วยกำดับห้าค่าโดยใช้เวทมนต์หานะหกค่าด้วยเลธ น, นะนนครับค่าฤทธิ์นี่เอาฤทอะไรครับ <S <S อะไรนะิอรีนีค<า>แน<า>บบ ก, กินยาหรือว่าฤทิ์าฤอะไรนีั่ ไม่ใช่ที่อัิญญาครับไม่ใช่ภิญญาแน่นอนฤทธิ์อ่ะนะแต่ว่าไม่ใช่อับิญญาฤเรีกแบบว่าโมจามพวกเาอันนั้นจะเป็นใช้เรื่องมรรคฐานข้อข้อห้าครับเรื่องนี้มันเี่ยวฤทธิ์อิยาอะไรครับไม่ยายาพิษไม่ใช่นอนีอันนั้นมันจะไปเท่าค่าฤทอิ์ตนค่าเป็นกํกหนักยาวางขึ้นไปข้อข้อสี่เยอะกว่านี้ ใช่ใช่นิลิเกิดจากบุญบาลมืตบบลอตัวเองเขาเรียกว่าลลที่เป็นผลแห่งกรรมครับ<อ>กรรมมากที่ปาอระช่างลิลนนะครับลนี่เป็นบิดาของกรรมตัวเองสั่งสองอะไรมาใช่ไหมอ่ะอยรรา่าทำดีอะไรทิฐามันไว้เนี่ยจะชาแนครับทําแล้วก็ทิฐา น, นี่เงี้นะพอเกิดมาชาติตัวเองก็มีลิลนะครับอาลิลอย่างนั้นนะคนธรรมดาก็มีแล้วนะครับที่เขาเคยสั่งสองมาอย่างนี้ต่อไปนะครับสิบห้าประราชิกมียี่สีด้วยกัน ประราชิษของพิสูุนสี่ข้อใช่ไหมครับและประราชิษของพิษุณีที่ไม่สาธารณะกับพิสูจนสี่ข้อได้แปดนะใช่ไหมครับอภรรยาบุคคลสิบเอ็ดจำพวกนะครับอะไรแปดบวสิเอ็ดได้เท่าไหร่ครับสิบเก้านะครับอภรรยาบุคคลเป็นบุคคลประราชิษตั้งแต่เป็นคาราวานนะครับอันนี้นะนะครับคือยังไงเป็นคนที่ถือว่าเป็นประราชิษมาบ่นไม่ได้รครับพวกนี้นะเลยว่าภาพบุคคลบ่นไม่ได้เลยบรรลุ มั่งผลไม่ได้ด้วยนะครับห้ามบวชเลยถือว่าเป็นประลาชิ่งน่าจะในเพศคารวะนะครับแล้วก็พิสุนียินดีนุ่งผ้าพุทธังนะครับและก็ยินดีใช่ไหมอันนี้ก็ขาดความพิสุณีก็ถือเป็นประลาชิ่งพิสุนีข้อนะครับได้หลายนะครับเมื่อกี้ได้เท่าไหรแล้วนะสิบเก้าแล้วบวอีกหนึ่งได้ยี่สิบแล้วนะครับแล้วก็บวกกับอนุโลมประลาชิ่งสี่ข้อนะครับคือหนึ่งพสุเมืองข้าชา่านยา แล้วก็สององคชาตเข้าถวายของตองนนะครับนี่มันก็ภาระชีพเสียกับตนเองนะครับพิสูจมีหลังออมององคชาตของตนเองนะครับนี่ก็หนึ่งนะครับพิสูจผู้ององค์ประชาตของผู้อื่นนะครับก็หนึ่งพิสูจผู้นั่งทับองค์ประชาตของผู้อื่นหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นียใครใช่ไหมแต่ว่าให้ส่วนเขาเสีไปนั่งทับกันนะครับก็รวมทั้งหมดก็ได้ยี่สบสี่ครับ <c oughs> ข้าขาหัวข้อวินิจฉัยศิษยาภูมิสิบเจนะครับที่ท่อนฟังบาเกียนะนี่ทานคำข้ารังวัตถุงปัญญติวิธิเมวัจจาอานัตตาปฏินาปฏิมีปฏิอังคะเมวัจจาสมุทฐานะวิถีกิริยาสัญญาจิตเตหินานตังว่าชากรรมมาประเพณจากติกาทวียวิถีธรราละขณะสัตตะละศสัทธาติดตังสารธารณะนอาอิทัง ยตวายโยเชยะเมธาวีตตถาสถานยฐาระังนะครับจบสรุปหัวข้อมูลต่างๆในปราชิตกอแคปราชินีกินมาเยอะนะต่อไปนะครับสังคาที่เด่นนะครับฐานของสุจิมีสามนะครับคือหนึ่งกระพาะเบาสองสเอลสามกายทั้งสิ้ น, นะะสองเหตุให้เกิดความฝันมีสีอย่างคือหนึ่งพ่อท่ากําเลสนะครับ ถาเ น, นี้นน้ำลมไฟนะครับหรือว่าถ้าสีนี่มันไม่สมเส ม, มอป่วยไข่อย่างนี้นะครับจะนด้ฝันได้เพราะเคยสร้าบมาก่อนใครรู้เคยเห็นหรือว่าเครรับสร้างนะครับด้วยทาวารทาวารหนึ่งเนะี่ยเจอรูปมาก่อนแล้วก็มาฝันได้นะครับแล้วก็เพราะเทวดาสังหอมมายถือว่าเทวดานำความฝันนั น, นเข้ามาให้เราฝันนะครับเป็นเรื่องจริงบ้างเรื่องไม่จริงบ้างฝันดีบ้างฝันน้อยบ้างนะแล้วแต่เขาจะพัฒนาสิ่งดีหรือไม่นี้ให้แก่คนนั้นนะครับ แล้วก็เพราะบุพพานิมิตนะครับก็หมายความว่าเป็นนิมิตหมายนะครับของถึงเจ้าเกิดพุ้โธหน้าก็เลยฝันอย่างเาาง ช, าช่นความฝันของพุทธเจ้าใช่ไหมวันที่ก่อนที่จะตัดสินพพุทธเจ้าพรงคทรงพระสุบินนิมิตตอนนั้นนะครับเป็นนิมิตหรือความฝันของพระเจ้าอะไรครับประเสริฐที่โกศลนะครับสิบหกข้อใช่ไหมครับไปอ่านก็ร่างการหน้ามีอะไรบ้างอย่างเป็นบุพพานิมิตนะ มีมาล่วงหน้าให้รู้ว่าในการนันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสามผูบายปล่อยสุกากะนะครับมีเสียปล่อยสุกากะในรูปภายในใช้อวัยวะศิลป์ตัวพยายามนะครับมีใช้หมุนเป็นต้นนะครับแล้วก็สองปล่อยสุกากะในรูปภายนอกครับก็ไปถูทายก็ว่าถูท้ายนอกอนี้นะนะครับแล้วก็สามปล่อยสุกากะในรูปทั้งที่เป็นภายในและเป็นภายนอก มือตัวเองก็ช่วยแล้วก็ไปถูกไทยอะไรของภายนอกด้วยครับอย่างงี้นะแล้วก็นะครับอันสุดท้ายยังเสียวให้ไหวในอาการไม่จับไม่ต้องเลยนะครับแต่แอนตี้เอวกางอากาศนะครับสายไปสายไหมอย่างนี้ยนะเชือจะจิกเคลื่อนนะครับ <c oughs> ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้ <c oughs> ต้องมาบบงเลยนะครับสี่การคือเวลาที่ปล่อยสุกามีห้าตอนด้วยกัน ปลอยเมื่อเวลาเกิดความกำหนิดใช่ไหมเวลาปูจาระนะครับอย่าเพิ INDISTINCT ่งอย่าเพิ Zum ่งอยพิ่งค qu ุยนะฟัง่อฟังก่อนฟังก่อนนะครับรบกวนนะเสียงเวลาปูจระนะครับคือเวลาพวกนี้เนี่ยจะทําให้อวัยวะมันแข็งตัวขึ้นได้ใช่ไหมันมทีปูจระเนี่ยก็ทําให้อวัยวะมาแข็งตัวขึ้นได้นะครับก็เลยสามารถปล่อยสุจีได้ตรงนี้เวลาปวดปัสสาวะนะครับ เวลาต้องลมลมเผยลมพัดนเย็นๆนะ่ะสุจิองคชาเป็นเอาไว้ว่าใช้การได้นกันนะครับและเวลาถูกมุ่งขนนะครับเนี่ยก็เวลาปลอดสี่เวลานี้ห้าการช่างสื่อมีองห้าอันนี้จำไว้ให้ดีนะพอข้อข้อนี้ที่เราเป็นองนะครับเราจะได้วินิจฉัยได้ว่าเี่มันครอบองหรือเปลหนึ่งนะครับช่างสื่อผู้มีชาติเป็นมนุษย์นะครับถ้าช่างสื่อเพรดาเนรฉานี้ไม่ใช่ สองเขาไม่เคยเป็นผัวเมียกันนะครับหรือเป็นผัวเมียกันอยู่ก่อนแต่อยากขาด ก, กันแล้วสามเล่าคาของผู้วานสบอกแกอีฝ่ายนะครับห้ากลับมาบอกแกผู้วานขององห้านี่ก็เป็นนะครับสุนทรีเสด็จในค้อนี้นะหกมูลอาบัตสามนะครับก็มีได้เห็นได้ยินแล้วก็ได้รังเกียจนะครับถ้าไม่มีมูนก็คือตรงข้ามไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจนะครับ เจ็ดวัตถุอนามานั้นับจำไว้เลยนะก็สรุปได้เป็นแปดอย่างนะครับหนึ่งผู้หญิงสองผ้านุ่มผมและสิ่งของเครื่องประดับของผู้หญิงนะครับแม้แต่ของใช้ส่วนตัวนี่นะก็เหมือนกันนะครับรองเท้าอะไรเป็นต้อนนะครับแต่ว่าอรถยนต์เราไม่เอานะไม่ได้เอาขนาดนั้นนะครับรถยนต์คันนี้ของผู้หญิงไม่จับไม่ได้นะครับ อันอันนั้นไม่เอาแล้วนะคอันครับอันนี้เอาของใช้ส่วนตัวอะไรี่เข้าใช้อยู่นะครับแล้วก็สารูปผ้ารูปปั้นผี้หญิงก็ไม่ได้สีท่ทายชานจ็ชนิดนะครับมขขาาขีข้าวเปลือกข้าวสาลีข้าวฟาข้าวลามาอะไรลูกเดือยใช่ไหมยากตอแก่แเป็นต้นนะครับสัญญางนัง้นแล้วก็ลัตนาะห้าลัตนาสิบประการนะครับมีเงินทองเป็นต้นหกอาวุธทุกชนิดนะครับไม่ได้ เจ็ดเครื่องจับสัตว์ทุกชนิดนะครับแปดเครื่องดนตรีทุกชนิดแม้แต่กลองนี่ก็ไม่ได้นะครับถ้าจะไปตีกลองไม่ได้นะถือว่ามีกลองเพลงกลองอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องบอกให้โยงตีนะครับถ้านี่ไปตีก็ไม่ได้ข้งบนใครมาตัดสิทธตีก็ข้างซตุ่เมียเม่ยตุม่มเี่ยมตุ่มม่อครับไม่ได้นะครับไม่ไดน้นะถือว่าเป็นเครื่องดนตรีนะแล้วตีเล่นแต่ละครั้งนี้นะครับต่อไป ส่วนพวกปรนานชาพูดหัวผู้งานต่างๆนะครับแล่มหาผลนะมีอะไรขนุนสาเกตามมาพร้านต้นนะครับนะซึ่งเกิดใที่นั้นพันอยู่กับต้นนะหรือว่าชาวบ้านเอามารวมเป็นกองไว้นะครับเป็นอาบัติเฉพาะการจับเล่นนะครับไม่ใช่ว่าถัอวนามะถ้าจับจริงๆไม่เป็นแต่ว่าขนองไม้ขนองมือจะไปจับเล่นดูงี้ไม่ได้นะครับอืนะแต่ไม่ไม่ถือเป็นว่าถัอวนามะนะครับ ไปนะครับแปดเทพเจเทพบรท่านนะครับขอผมเขียเป็นของนะ น, นี้ของนะครับขอว่าดูห้าประการก็คือหนึ่งนะครับขออนุญาตว่าที่สุทัลายนี่มันควรอยู่ป่าตลอดชีวิตนะครับสองควรเที่ยววินดา บ, บานตลอดชีวิตสามควรถือผ้าบางสุขุนตลอดชีวิตสี่ควรอยู่คนไม้ตลอดชีวิตห้าไม่ควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต ไม่ให้จบวันนี้เลยก็ได้ความจริงนะเราทำโพลอนะไรไม่ต้องที่ไหนทำโอลอะไรนะครับอย่างนะี้นะไม่ใจบอ่าครับฮพอดีผมจะน้ำมาพูดด้วยนะคันถาบเสภะกรนะครับอํานาจประโยชน์สุปการที่พระเจ้าสมเด็จสิขาบดนะนั่นแหละพอพูดถึงนะครับจะุงพูดให้ฟังที่บอกว่าพ้อความรับบัณฑิแห่สงสงเป็นต้นนะครับตรงนั้นนะจะมาอธิบายความ 4. ควรอยู่คนไม้ตลอดชีวิตห้าไม่ควรฉันปลาและนี้ตลอดชีวิตกให้ฉันเจใช่ั <c oughs> ย้ยผู้หลวงไม่สองนี่ย่านะครับแกจะอ้างเป็นเลขเพื่อว่าไปทำสังคมเพศนะคะ ร, ะรับเก้าเพศทกรับวัตถุก็คือเรื่องที่ทำให้แตกแยกกันนะครับมีสิบแปดอย่างด้วยกันเมื่อพระเจ้าตัดว่าดูก่อนอุบาลีที่สูดในธรรมวินัยนี้นะครับห ย่อมแสดงอาธรรมว่าเป็นธรรมสองย่อมแสดงคําว่าเป็นอธรรมสาย่อมแสดงสิ่งไม่เป็นวินัยว่าเป็นวินัยสี่ย่อมแสดงวินัยว่าไม่เป็นวินัยห้าย่อมแสดงคําพระธรถมข้อมิได้ตัดพาสินไว้ว่าเป็นคำตรฐานข้อตัดพาสินไว้หกย่อมแสดงคำตรฐานข้อตัดพาสินไว้ว่าเป็นคำตรฐานข้อไม่ได้ตัดพาสินไว้เจ็ย่อมแสดงคำตรหานข้อไม่ได้เปิดมาว่า เป็นกรรมฐาข้อปกขึ้นมา8ย่อแสดงกรรมฐาข้อปกขึ้นมาว่าเป็นกรรมฐานคดไม่ได้ปกขึ้นมา9ย่อแสดงสิ่งที่พป็นฐาคดไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ฐาคดบัญญัติไว้สิบย่อมแสดงสิ่งที่ฐาคดบัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ฐานคดไม่ได้บัญญัติไว้สิบเอ็ดย่อมแสดงอนาบัตหรือสิ่งที่ไม่เป็นอาบัตนะครว่าเป็นอาบัตสิบสอย่อมแสดงอาบัตินุนว่าเป็นอนาบัต สิาย่อแสดงอาบัตรเบาว่าเป็นอามบัตรนังสิบี่ย่อแสดงอาบัตหว่าเป็นอาบัตรเบาสิบห้าย่อแสดงอาบัตรมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตรหาส่วนเหลือไม่ได้อาบัตรไม่มีส่วนเหลือคืออาบัตรอะไรครับอามบังคาอาบาบัต่ไม่มีส่วนเหลือคืออาบัตรอะไรครับอาบัตไม่มีส่วนเหลือครับปราชิคไหมปลาชิคครับเพราะขาดเลยนะสิบหกย่อมแสดงอาบัตรหาส่วนเหลือไม่ได้คือปราชิคนะ ว่าเป็นอาบัตมีส่วนหรือนะครับสิบเจ็ดย่อแสดงอาบัตชั่วยาว่าเป็นอาบัตไม่ชั่วยาอาบัตชั่วยาคืออะไรครับอาบัตสังาภิเศกราชิสังฆาภิเศสนะครับสิบแปทย่อแสดงอาบัตไม่ชั่วย่างว่าเป็นอาบัตชั่วย่าสิบแปดข้อนะที่เป็นเหตุเป็นเรื่องนทำให้เกิดการแต่ใหญ่กันนะครับต่อไปสิทอาการปเป็นอาบัตสิบอย่างขึ้นหนึ่งเป็นอาบัต สองรู้ว่าเป็นอาบัติถ้าสงสัยก็ไม่เข้าองนะอันนี้ต้องรู้เลยนะครับสามเป็นปกติที่สูดไม่ได้ถูงยกมั่นนะครับสี่รู้ว่าเป็นปกติตางที่สูดห้าไม่มีอันตรายนะครับไม่มีอันตรายที่จะไปบอกไม่ได้ใช่ไหมล่ามลื่นตลอดนะครับหรู้ว่าไม่มีอันตรายถ้าเข้าใจผิว่ามีอมนุษย์นะครับจะมาทําอันตรายการหลึก น, นี่ไปบอกไม่ได้กลัวก็ช <c oughs> <c oughs> ื่อว่าไม่เข้าองนะครับ อันนี้ต้องรู้ ว, ว่าตัวเองไม่มีอันตรายไหนนะั้นเจ็ดเป็นผู้สามารถไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้าสามะจะเดินไปบอกได้นะครับแต่ 8. รู้ว่าเป็นผู้สามารถก้าต้องการจะปกปิดอาบาัตสิบปกปิดอาบาัตอันนี้นะครับข้อโกงแล้วก็ถือว่าเป็นการปกปิดอาบาัต <c oughs> นะครับสิบแปดนะครับปริวาสามอย่างที่จำไม่ให้ดีนะเกี่ยวปริวาข้อสี่ถึงสองที่จำไม่แม่นเลยนะครับปริวาแบบได้เป็นสามคือ ปรดิษฐานปริวาสปริวาสที่ให้แก่ที่สุดผู้ปกปิดงานบันนะครับสุดทางตปริวาสปริวาสที่อะไรนะที่ต้องอยู่ใช่ไหมจนกว่าจะเข้าใจว่าเจอเปนผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมครับสมบัติปริวาสนะสุดทางต่างนะครับมีความบริสุทธิ์กันที่สุดก็อยู่ไปจนกว่าจะเข้าใจว่าเจอเปนผู้บริสุทธิ์นะครับแบ่งเป็นสองอย่างนะและสมุทราปริวาสปริวาสที่มีการประมวล สมุทรบัรวมกันนะก็นะครับมาดูสิบสองเลยนะสมุทรธนาปริวาสแบ่งเป็นสามอย่างนะคือหนึ่งโอธานะสมุทานะแปลว่าประมวลรวมลงสมุทรนี่ประมวลโอธานะกนรวมลงประมวลรวมลงนะครับคือปริวาสที่ประมวลอันวัตที่ต้องในภายหลังเหานไหมลงในหน่วงวันเดิมแห่งอันวัตที่ต้องทีแรกก็หมายถึงโมเลปฏิกัสนานะครับเหานไหม อาบัตท le ี่ต <double> ้องทีหลังนะครับประมวลลงในอาบัตตัวเดิมนะแล้วก็ลน้มทั้งหมดใช่ไหมครับโนมทั้งหมดนะปรพื้นใหม่หมดเลยนะครับสองอัคคะสมุทางการประมวลค่าครับประมวลค่านี่คืออะไรคือปริวาสที่ประมวลค่าให้อาบัตที่ปกปิดไว้นะครับลงในวันที่ปกปิดไว้นานที่สุดนะครับงี่นหมายความว่าต้ออาบัตหลายตัวที่ไั่มีการปกปิดไว้นะครับ เราก็ประมวลทุกตัวอะไรลงในอะไรนะลงในอนบาบัตรที่ปกปหดน้านที่สุดนะครับแล้วก็แบบคืนรวมกันทีเดียวอะไรอย่างนีง้สามมิสการส ม, มุทรานคือปริวาสที่ประมวลเอาอาบัต ท, ที่ต่าวัตถุกันรวมเข้าด้วยกันนะครับอย่างนี้นะจาไว้นะครับมิสการเพราะผสมละคนนะครับสมุทรานประมวลนะอาบัตต่างวัตถุรวมเข้าด้วยกันต่อไปสืบสามเราที่รับสองอย่าง หนึ่งที่รับตาได้แก่นะคะรับรับกาอย่าแค่ไหนที่ซึ่งเมื่อพิสูจน์ดูมาตุกครามขายิบตายย่งเคี้หรือชูศีรษะนะครับไม่มีใครสามารถจะมองอะไรจะจะแรงเห็นได้สองที่ลับหูได้แก่ซีดที่ซึ่งไม่มีใครสา ม, มารถจะได้ยนผ้อยคำในพูดเงต่างปกติได้ะคือลัษมีสิบสองสิบสองศอกคงไม่มีใครอยู่อยู่แต่สองศอกนั้นครับ ที่ลับตาต้องเป็นที่กำบังด้วยฝาหม า, หาบานประตูเสื่อลำแพนม่หม า, หาบังต้นไม้เ ส, สาวหรือช้าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมีอะไรบงังใช่ไห ม, มก็เลยมองไม่เห็นว่าเ็าทำอะไรกันนะครับจบนะครับการส่งหัวข้อมูลต่งตางๆในสังฆทิเศษและอ น, นิยศตต่อไปนะครับต่อไปนี้ก่จะง่ายนะคเอะแล้วต่อไปนี่สคกีนะครับหนึ่ง อันนี้สองกฐินห้าอยางนะครับหนึ่ไปไหนไม่ต้องบอกลาครับก็คือรับนิมนต์ที่ขาออกชื่อโภชนนาไว้ในที่แห่งหนึ่งแล้วใครอยากชื่อผมอ่านบ้างนะครับเอ็ได้อเองก็ได้นะไปไหนไม่ต้องบอกลาคือรับนิมนต์ที่ขาออกชื่อโภชนนาไว้ในที่แห่งหนึ่งแล้วแม้ไม่บอกลาที่สุดที่อยู่ในวัด ก็สามารถไปเดีนหลังมีจังที่าที่หมนได้ทั้งก่อนเวลาฉนละหลังเวลาฉันอันนี้สมกฐินนะครับเนี่ยสองอยู่ประจักษ์ใจจีวอนได้คือเดินทางไปเนที่อื่นได้โดยไม่ต้องนําจวนไปครบทั้งสามผืนสามแกะดีเด่นจีวอนได้ตามใจปรารถนาคือแกะดีเด่นจีวอเก็บจีวอนที่ได้มาไว้เกินสิบวันได้นะครับแบบที่ไม่ได้พิฐานนะจนกว่าจะหมดเข็มกฐินในวันแรมหนึ่งข้าเดือนสี่นะครับ มันก็คืออะไรนะการเป็นสี่คือเนี่ยนะครับสี่ไม่ต้องอาบัติเพราะข้าหน้โพธน์และปรังปรัชโชชนาะห้าจีวรที่เกิดขึ้นในที่นั้นได้แก่เธอก็คือนะครับมีสิ่ได้จีวรที่ทายุทวารแก่สที่เกิดขึ้นในที่วงการาจีวรใช่ไหมจะได้เฉพาะพิสุกจำภรษาเท่านั้นนะครับภาษาไม่ขัดด้วยอันนี้ได้ได้กรถินด้วยนะครับนี่เลยอันที่สองราษานะ่ยมีสี่นะครับ ข้อคือเว้ข้ อ, อนนสองไปอินสมกันถิ่นมีห้านะแต่ น, นินสมการจะมีแค่สี่ให้เว้นข้อสองนะครับอยู่ประจกักรใจจีวอนอิ น, นสมกันถินมอภัณฑ์สาไม่ได้นะได้ในกระถิ่นนะครับต่อไปนะครับสองปริพอร่อสองอย่างปริพอร่อเป็นรอนลิงนะนะครับปริพอร่อแปลว่าอะไรคิอเพราะเครื่องกลางบุญนะครับเครื่องกลางบุอันนี้เขาแปลว่าเฮ้ยผมจำไม่ได้เข้าไปสมมูลไพลร่รอบวอนนะครับ อันนี้แปลว่าก่อขึ้นกังวลมีอาว่าปริโพ่์นะครับยัง ม, มีการอะไรกังวลถึงไม่ได้กังวลเขาเรียกว่าอะไร น, นะห่วงห่วงไม่ถูกไม่ได้กังวลยัง ม, มีใจอะไรอย่างงี้นะยังผูกที่อยู่ในวัฒนนั้นนะครับแล้วก็จีวรปริพ่อนะครับความปริโพ่อและเกียวกับจีวรนะครับยังห่วงยังอาลัยอะไรทำจีวอรอยู่นี่นะต่อไปนะครับ ถ้าปริพเทอน์องสองข้อนี้ขาดใช่ไหมกระถิ่นก็ดอกนะครับสามมาตร ก, การดอกกระถินแปดนะครับหนึ่งด้วยการหลีกไปท่านทำจีวรเสร็จแล้วจวรปริพเท์ขาดใช่ไหมออกไปจะวัด น, นะครับต้องกระถิ่นดอกเลยไมไ่ต้องทพันละสองด้วยการทำจีวรเสร็จอันนี้ออกไปต้อาวันก่อนแล้วก็ไปทําจีวรไม่คิดจะกลับมาแล้วนะพอทําจีวรเสร็กระถิ่นดอกนะครับสามด้วยการตกลงใจนะครับ ตกลองใจว่าจะไม่กลับไปแล้วนะครับถือจีวรออไปเรียบร้อยนะพอไปถึงนู่นแล้วก็สงจะไม่กลับแล้วนะครับอันนี้ก็ดอกสี่ด้วยด้วยผ้าเสียหายออกไปนอกวัดคิดว่าไม่กลับแล้วนะครับก็จะทําจีวรทํำบะทำมาผ้าเสียหายนะอนี้นะครับกระถินก็ดอกนะครับต่อไปมันมีดอกพร้อมกันผมจำไม่ได้ว่าอะไรนะไม่กลับก่อนแล้วแล้วก็อย่างนี้นะ แล้วก็ผ้าเสียหายนะครับห้าด้วยการได้ทราบข่าวนะครับอยู่นอกวัดใช่ไหมยังไม่ดอกนะวัดจะกลับมากลับมาอยู่เนื้อก็ได้ทราบขาว่าผ้าที่วัดพร้องใจกันดอกกันถี่นะครับกระทิงก็ดอกหกด้วยความสิ้นหวังถ้อไปนอกวันนะท่านก็ไปคิดว่าจะได้จีวรได้ผ้ามาทําจีวรใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้ผ้ามาสิ้นหวังวัดก็ไม่ที่จะกลับแล้วนะครับนิ่งก็ถึงก็ดอกเจ็ด้วยการทุดเขตนะครับ ให้คิดว่าจะยังกลับมากลับมากลับมากลับมาอยู่อาว่าปริพเท อ, อยังมีนะทีวรจะเสร็จนี้ไม่เสร็จนี้ก็แล้วแต่อาว่าปริพเทยังมีว่าจะกลับมาจะกลับมาครับไม่กลับม า, าทันทีครับเลยการเดินสีไปนะี้นะแปะนะครับสงพร้อมเพรียงกันดอกต่อไปสีการขาิฐานผ้ามีอยู่แปดหรือว่าเก้าข้อหนึ่งให้แก่คนอื่นก็ขาขาดฐานนะครับสองถูกชิงเอาไป สามถูกถือว่ษษาเปวิสาสะนะครับสี่เวียนเป็นคนเลวเวียนเป็นคนเลวเป็นยงไงครับคือเสดใช่ไหมครับมันมีลาสิขาอีกข้อห น, หนึ่งนะยังไม่ใช่ครับเป็นพาลชิกเป็นพาลชิกแล้วก็ออกไปเลยออใช่ไหมครับปฏิญญาเป็นค า, าว่าออกไปเลยนะนะครับห้าลาศิขาหกอายนะครับ เจ็ดเพศกลับนะครับแปดทอนทอนที่ฐานก็ขาหนะาก้านะครับมีช่องทะลุเท้าหลังและมีก้อยไอข้อที่เก้านี้เป็นการขาที่ฐานเฉพาะของภาคแตงกิวเท่านั้นนะครับที่ฐานเป็นไตเท่านั้นนะส่วนแปดข้อที่เหลือนี่ขาตระหน้านะครับห้านะครับวิวิบัตมีสี่ขึ้นหนึ่งสองสาม อา ina, ชีววิบัตนสี่ท nee ิวิบัตนนะครับหกไม้วัรต uh ิกรสี yes, ่ประเภทหนึ snack, ่งนี謝謝่จำให้แม่นเลยนะจาให้แม่เลยครับไม้วัรตุกรที่พิสูจแสดงสองสามตัวเนเองสี่นะครับรับหลังนะครับมาไวับรรจุกที่พิสุจนแสดงนะครับทวงได้กี่ครั้งครับ ทงวงไละสามยืนได้หกนะครับที่ทายกุญสุนแดงทวงและขีครั้งครับตลอดไม่จำกัดนะครั บ, านะรบวายาที่เสนอตัวเป็นเองนะครับไม่จำกัดนะไม่ได้ใช่ไหมทวงไม่ได้เลยนะครับวายาวิจิกรลับหลังนะครับไม่ได้ไไดังนะครับนะต่อป ร, รัชนาสิบอย่างนะครับมีทองเงินมุกดามณี ไฮทูสังศิลาประทานขับทิมสลาคำนะครับแปดบาทเก้าเก้าใบนะครับเหบาทเก้าใบก็คือใหญ่ใหญ่ใหญ่ย่างกลางใหญ่ใหญ่แรกอันนี้ใช้ข้าวสาดีสองนาฬีนะครับกางกใหญ่กลางกลางกาเแรกใช้ข้าวสาดีหนึ่งนาฬีแรกใหญ่ใหญ่แรกกลางแรกแรก ใช้ข้าวสารดีเกิดนานดีนะครับผม ข, ขนาดไหนไอไอที่ว่าอย่างใหญ่เนี่ยเราใส่อาหารลงไปแล้วนะครับมันเป็นยังไงถึงชื่อว่าอย่างใหญ่ก็ใส <c oughs> ่อาหารลงไปในปากยองอยู่นะครับปากยังฟ้องอยู่นะครับอาหารก็อยู่เป็นข้างล่างทช่ไหมยังฟ้องอยู่คนระับถ้าอย่างกลางนะครับเสมอข อ, ปขอปบปาเสมอขอบากนะครับอะไรป่าใช่ไหมก็โดนพอดีเลยถ้าอย่างแรกนะครับ คบภูมิเป็นจองมาครับอันนี้นะเต่ว่าบาบันนนอย่างเล็กนะครับต่อไปตั้งแต่วนั้นาสรุปวยังไงอาบาเนี่ยช่าวมเต็มยังอย่างนีมันไม่มีบาคอที่จะวาดไบาบันเล็กคือครับเล็กเิครับตยที่เขาจบแล้วได้ใหญ่กลางกลางอย่างครับออบาบเล็กกินกลางยังไงคบาบริเทนนี้เล็กใหญ่ใหญ่ครับ บอร์ก oh, oh, oh, ้าน e ี่แบบกลางใหญ่ๆนะครับแล้วก็เบอร์เจ็ดนี่แรกหญ่ๆอ๋อเบอร์เจ็นี่ยังแรกใหญ่ๆอ๋อแล้วแรกใหญ่แรกมันต้องเร่ง่ะอ๋อแรกก่านนั้นเครับน่าจะเบอร์ห้าเนี่ยหกคือหกนี่นะไอ้ครับอ่าครับครับต้องใช้ไม้จริงนะาม้จริงนครับเป็นม้เป็นอะไรไม่ได้นะต้องบา มีบานเรกับบานดนิงสองแบบใช้ได้นะครับ เ, เ, เ, เซรามิกนั่นมันทํำจากดินใช่ไหมเข้าได้นะส่งข้อได้นะมันไม่ได้เข้าไปในแก้วถ้ามัพูแก้วไม่ได้ครับก้าวนะครับมันจะเข้าแก้วหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะถ้าเป็นดินจะได้นะถ้าไปเข้าแบบแก้วแล้วไม่ได้กนะ้าวเพย์สาห้านี่ง่าย ในสายในคนน้ามันน้ำผึ้งน้อ้อยสิบทยชาติเจ็ดชนิดนะครับข้าวสารีข้าวเปลือกหญ้ากับแก่ข้าวละมาลูกเดือนข้าวบาเลข้าวป้าสิบอ็ดข้าวอะไรไม่รู้เหมือนกันข้าวมันแดไปเปิดเด็กดูนะครับเปิดเด็กดูก็แล้วต่ครับในข้าวเปลือกนี้ถ้าเอารมให้ก่เยก็บางทีมัน การาที่ตลาดมีต้องเปลือกโอดยไว้ให้ครับเพราะก็ได้ให้เขาเราตั้งใจว่าเป็นทางแล้วก็เดินไปนะครับต่อไปนะครับสิบเอ็นนะครับลักษณะป่าหมายถงลักษณะสีนักษณะป่านะผมไปเขียนหนึ่งครับคบต้องจำเต็มว่าเ ส, ส, ส, สนาสนะป่าใส่สีนักชนะเพิ่มเข้าไปนะครับนะีก็คือ ใกล้สุดนะครับห่างจากหมู่บ้านห้าร้อยชั่วคันธนูหนึ่งคันธนูก็ต้องเท่ากับสองเมตรใช่ไหมห้าร้อยชั่วคันธนูเท่ากี่เมตรครับหนึ่งพันเมตรก็ได้หนึ่งกิโลพอดีเลยใกล้สุดอย่างนี้นั่นถ้าใกล้กว่านี้ก็จะไม่ใช่ป่านะครับเศรษฐนักป่าแล้วนะแล้วก็สอง น, นะครับไกลสุดนะครับห่างจากหมู่บ้านไม่เกินหนึ่งคาวุฒก็เท่ากับสี่กิโลนะครับหนึ่งคาวุฒเท่ากับสี่กิโล าส4ก็เท่ากับ16กิโลได้หนึ่งยดพอดีนะครับจบหัวข้อสรุปนะครับสรุปหัวข้อหมดต่างๆนี้สักทีต่อไปปาฏิจินรนะครับมุสาต้องมุสาต้ององัตห้าอย่างครับคือ 1. นึวตริมีนุสธรรมไม่มีจริงต้องอาบัาชิกสองราชิกไม่มีมูลต้องสังฆาพิเศษ สามจดด้วยอาที่เสร็จไม่มีมูลต้องอามบัดสี่จดด้วยอาชารักข้นบัดไม่มีมูลต้องทุกอนอาสนะวิบัติคืออะไรครับอาชารักขนการเที่ยวเที่ยวปั้นใช่ครับอุะส่าห์ทำี้หมใช่อาชนะวาบัติการรับเอาอาอาบัดตั้งแต่ไหนมาครับการการก้าวว่อง ตั้งแต่อบัต์ทุนละใจลงมาถึงเก่าถึงทุกภายสิย้นเลยเชื่อว่า จ, จะวิบัตินี้นะโจด้าบัตันนี้ไม่มีมูลต้องบัทุกต์นะครับห้าปุตติมนุสธรรมโดยอ้อมเขารู้ต้องอาบัต์ทุนละใจหกปุตติมนุสธรรมโดยอ้อมเขาไม่รู้เจ็ดพูดแท้อย่างเดียวไป น, นครับะอรคับ้านว คำภาษานการนี่ตัง้งแบบทุกกฎใช่ไหมครับต่อไปนะครับคําพูดเสียบแทนให้เขาเจ็บใจด้วยการสืบยาคือดา่า้วยชานะครับชื่อข้อการงานศิลปะโรครูปพันณกิเลสอาบัตดและเรื่องสำหรับใช้ด่าคือคำด่านะครับอันนี้ก็จําไว้ให้ดีนะ อี training, <Yeah. S 1> mm ่าบอกว่าวัตถอะไรในคาพูดด่าพี่ยาด่าพี่สยาครับบอกว่าไอ้วัวมันเป็นปลอีตีท่านาว่าไอควายมันทุกก่อนเลนลลนะรครับไปนะครับมันมีใช่ไหมด่าว่าไอโง่ใช่ไหมเป็นอาบัตทุกก่อนหนาว่าไอมันดิตพ่อมันดินเป็นปลอีตี โครงสร้างเป็นตัวสามอนโทรศัครับไม่งัพูดเล่นครับโทรศัพการด่างนะครับเขาเจ็บใจสามนะครับชาติปฐวีดินแท้แบ่งได้เป็นสามอย่างครับขึ้อหนึ่งคือธาตุปฐวีได้แก่ดินร่วนหรือว่าดินเหนียวรู้ว่าสองมิสกะมิสสารปฐวีดินร่วนหรือดินเหนียวผสมเหินกรวดกับเบื้องแล่หรือทรายอย่างหนึ่งนะครับ เลยน้อยอันนี้ที่ที่เป็นดินแท้มันต้องขนาดไหนครับส่วนไหนถึงไหนมันต้องมีดินแท้กี่ส่วนพวกกัวซากี่ส่วนครับทีงช่วยเป็นดินแท้อยู่เนี้ยดินแท้นึ่งส่วนโอ้โหอย่เนี้ยแล้วมันจะแท้อีกแล้วเนี่ยกัวต้องสามส่วนแล้วนะไม่ถูกแน่นอนไม่ถูกแน่นอนครับดินแท้แะครับก็เป็นดินส่วนมากดินส่วนมากนะครับ ครับส่วนมากในกี่ส่วนครับเราแบ่งเศษนะแบ่งส่วนมากกี่ส่วนสามต่อสามก็ได้สามหนึ่งก็ได้จริครับสี่อือหมายความว่าถือว่าถ้าเราแบ่งเป็นสามใช่ไหมมันจะมีเดนอยู่สองส่วนมีหินกัวแร่อยู่หนึ่งส่วนใช่ไหมครับถูกต้องนะครับ มันต้องเยอะกว่าสองตรวจใช่ไหมสองคนหนึ่งนะครับอันนี้ใช้ได้ถ้าขึ้นต่อจขึ้นนึ่ก็ไม่ได้นะไมนไปดีแท้แล้วนะครับสามคุณเช่าปัตชมีกองลินด้วนหรือว่ากองลิเหนียวที่ถูกฝนตกลดเกินสี่เดือนแต่ว่าต้องเกินสี่เดือนแล้วนะครับอันนี้นะสี่ น, นะคณะโพชนานะครับมันมีอาการสองคือหนึ่งด้วยการนิมนต์ออกชื่อโพชนาทะยงนิมนต์เรานะ สองด้วยการขอขอกชื่อโคชนะนะครับต่อไปห้านะครับสมัยฉันคณะพ่อด้เจ็ดคือหนึ่งคาอาภาคาขวานจีวรคคาทาจีวรค า, า, าเดินทางไกลไปทางเรืออยู่มากด้วยการอาหารไม่พอฉันและชาวพันของสมนะนะครับหกวิธีเพิ่มปรำปละพ่นะครับเพิ่มยังไง ปรัมประโพนิชัมนาใช่ไหมครับเป็นยังไงปรัมป ร, รัมโพเป็นยังไงครับอะไรครับชนคคะคแล้วก็พิสูพิสูธรรมยังงครับที่เป็นปรัมป ร, รัโพเนี่ยอัอ น, น, น, อนนี้คณะโพอันนี้ครับไม่ใช่อันนี้โยมก็ออชื่อพา ร, รัลาพิ ม, มุนร้อครับเป็นปรัมปรั ว่าอย่างไรใช่ใช่ครับไปลับอาหารของอะไรนะขอเจ้าอื่นก่อนใช่ไหมครับ อ, อย่างนี้นะเจ้าอจะจากเจ้านิมนต์เจ้าแรกนะครต้องรับของจ้าแรกมันก่อนนะที่ก็นิมนต์ชื่อแต่ว่ามันจะมีวิธีปเปลืองไม่ต้องอาบัติได้นะครับคือหนึ่งวิกลับอาหารให้แก่วิสุรูปอื่นไปข้าพรเจ้าขอวิกลับอาหารที่หวังว่าจะได้แก่ท่าน หรือว่ากับผมขอยกอาหารให้ท่านไปเลยนะครับผมขอให้อะาายกยกให้นะครับยกอาหารที่หวังว่าจะได้แนกะ่ท่านนะครับนะแล้วก็นะครับสองแจ้งเจ้าภาพสาาร้าบก่อนว่าเราจะไปฉันที่นั่นก่อนหนะ้าโยมเพื่อให้าอนุญาตนะครับสามบอกว่าอมาชิกไม่รับภระตาหารจะรับแต่ที่สาหารทีนะร่อยู่หน้าข้อนี้เพื่คณะโพต ก, ก็ได้นะครับ ห้ามพัมีองค์ห้าคอหนึ่งพิสุกําลังฉันโพชนาอยู่สองโพชนาปรากฏนะครับก็คือมีอาหารที่เพียงพอการห้ามพักหน้ามีที่ก็จะมาถวายเราครับสามชายโยมิอัฏานสี่ชายุน ย, ย, 4, ยน้องถวายห้าพิสุห้าสีนะครับแปดนะครับโพชนาห้าคือข้าวซุปขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อ เก้ากาลิกสี่ครับคือยาวกาลิกยามะกาลิกสตหารกาลิกและยาวชิริกสี่กาแฟกุติสี่อย่างนะครับอันนี้จําได้ดีเลยนะถ้ายิ่งเป็นเนนจาได้ดีไปถามผ้าดีผ้าต่อไม่ได้นะครับ <c oughs> ไม่ค่อยได้คุ้นเคยเรื่องเรื่องกาแฟกุดีนะจําไว้เลยว่ามีสี่อย่างนะครับหนึอุสาหนันติกา มีการสวดเป็นที่สุดมายถึงพิสูจน์ช่วยกันทำกับปียาว่ากับปียา่าติงกับรงมากนะครับพอดีกับที่สาวลงตอนลงสาวต้นแรกหรือว่าดิดก้อนแรกนะครับไอตรงมากกับที่มันสาวจดพื้นต้องไปะเลยนะไม ง, งั้นไม่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อันนี้น่าเรียกว่าสมนติการนะครับสองโคนิสาธิการบักเข้ามานั่งได้ มายถึงกุติทุกหลังทุกหลังเลยในวันที่ไม่ได้ร้องเลยหรือไม่ได้ร้องหรือมานะครับสามข้าพติหมายถึงกุติที่อยู่ส่วนตัวของโยมหรือว่าของสมณะ น, น, นะครับหรือที่โยมเข้าถวายให้เป็นกับเพี้ยกุติเลยชื่อว่าข้าพติสี่สมมุตินะครับคือเพข้อสองสวดสมมุติกุติขึ้นมาให้เป็นกับเพียกุตินะครับอันนี้นะต่อไปนะครับมาดูนะข้อสิเอ็ดนะครับ ปณิตาโพชนา ก, ก้าวยาปณิตากโพชนาต้องมีข้าวก่อนเป็นตัวแรกเลยนะเป็นโพชนาข้าวเราผสมกับคอมปนีนะครับก้าวยาคือในสายในข้นน้ำมันน้ำขึ้งน้ำอ้อยนมสดนมส้มปลาเนื้ออะไรครับก็ได้ปณิตากโพชนา ก, ก้าวยาครับข้าวผสมในสายข้าวผสมในข้นนี้เป็นต้นนะสิบสองกา ร, รเคมีองค์ห้าคือหนึ่ง ของพอบุรุษมีกําลังกลางกลางยกขึ้นได้สองอัศบากปรากฏคือเข้ามาอยู่ในอัศบากสามกางน้อมถวายปรากฏไทยน้องถวายสี่เทวดาก็ตามมนุษกก็ตามเิ ร, ริฉานก็ตามถวายประเคษสิราชานก็ประเคษได้นะครับนี่นะถ้ามนุษย์ภาษานะไม่ใช่ชูนักแม่เขาฝึกมาดีใช่ไหม ม, มาปมะเคของก็เป็นประเคษกันนะครับ <c oughs> ถ้าพิสูรรับประเคนของนั้นด้วยกายหรือด้วยของหนึ่งดกายเราจะไม่ง่ายว่าของบุตรปางกาง ย, ย่อมขึ้นนะครับเข้าพเจมานหนะถวายข้าน้องถวายเทวะนะเทวรามุนเดรชาประเคนพิสูรรับประเคนด้วยกายหรือของหนึ่งดกายสั้นๆก็ได้นะครับต่อไปจุดสามการขาประเคนมีเห็นเจตประการคือหนึ่งรับประเคนแล้วเปลี่ยนเพศเป็นหญิง ชายเปลยนเป็นหญิงสองัครสัจการกันนะมรณภาพไปนั้นก็ขาดสามราศิกขาสึกก็ขามเลยนะครับสี่ให้เี่เป็นคนแรวต้องปลาระเชงแล้วก็ออกไปปริญญาคลิห์หน่อยนะครับห้าให้สมณีหรือว่าคลหัหน่อไปก็ขาดหกนะครับสลาไปหรือไม่เยี่ยใหญ่นี่ก็ขามนี่เอาแล้วก็วิชันแล้วขาไปเลยเจ็ดนะครับ ถูกเชิงเอาไปหรือถูกลกเอาไปก็ขาดเแม้ถูกสำน e m e วิาสาสะไปก็ขาดประเด็นเหมอกันนะครับนี่นะเห็นโอ้นี่ผมคุ้นกับหลวงพ่อดีนะ <c oughs> วิาสาสะของหลวงพ่อไปอย่างงี้นะหรือว่าไอ้นะครับจะวิสาสะของพางไปอย่างนี้นะครับ <c oughs> นั่นะะก็ขาดประเด็นครับมันเเนี่ยนะใครจะวิสาสะจครับ ไปนะครับมหาผลเก้าหยางนะครับมีลูกตามะพร้าขนุนสาเกน้ําเต้าแตงไทยฟักเขียวแตงโมฟักทองถ้าจะจําไม่ง่ายจํานี้ก่อนนะลูกตากับมะพร้าคล้ายๆกันใช่มาจํานี้ก่อนลูกตาลมะพร้าชุดหนึ่งชุดที่สองก็ขนุนสาเกน้ําเต้านะครับเพราะขนุนกับสาเกในค้องกันใช่ไหมแล้วก็น้าเต้าบุกไปเลยชุดที่สามก็แตงไทยลาบจะแตงโมเหน่อยก็นะนะครับ แตงโมแต่งไทยข้าเขียวข้าทองอันนี้เป็นชุดเ้าเลยอะ <Okay. S 2> ไรขึ้นอันนี้ก่อนก็ได้นะชุดแต่งนะครับแตงโมแต่งไทยข้าเขียวข้าวทองขนุนสาเกน้ําเต้าลูกตาลมะพร้า่น่ามัครบกแล้วกันนะครับ <c oughs> ถ้าแบบมันชุดๆมันจะจำง่ายนะเราจะอะไรขึ้นก่อนอนะทีนี้ต่อไปนะครับปานะอัฐบาลน้าอัฐบาลนะนะาปาน้าแปะยาคือหนึ่งน้ำมะม่วง <c oughs> สองน้นําลูกว้า สน้ำกล้วยมีมะละกอสี่น้ำกล้วยไม่มีมะละกอห้าน้ำมะซานหกน้ำผลจันทร์หรือองุ่นนะครับเจ็ดน้ำเล่าขุบบนเง่าเง่าบัวแปดน้ำมันปลาแต่ปลาหนักรวมก็ได้นะผลมะไม้เล็ก้นะครับพวกเล็บเดียวอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อะไรอย่างนี้นะมะเขืออย่างนี้นะครับมะตูมนะอะไรอย่างได้นะครับเว้นมาหาผลแหละไม่ได้แล้วก็ อะไรเอาพวตัญญชาพรวนชาติใช่ไหมมัทำน้ำป่านะไม่ใช่ต่ อ, อไปนะครับสิบหกกองถ้ำองศ์นะครับมีท้ำชา้างถ้ำม้าถ้ำรถถ้ำผลเดินทางนะครับสิบเจ็ดนะครับการไม่เอื้อเฟื้อมีสองอย่างคือหนึ่งไม่เอเือเฟื้อต่อบุคคลสองไม่เอื้อเฟื้อต่อธรรมนะครับสิบแปดนะครับการวิกลสองอย่างคือหนึ่ง อันนี้มายถึงวิกัปอะไรท่านวิกัปอะไรครับวิกัปจีวรวิกัปบาสนะครับคนนี้นะไม่ใช่วิกัปอาหารครับวิกัปอาหารอีกอย่างนึงภาษาไทยก็ได้ข้าพเจ้าขอวิกัปอาหารที่หวังว่าจะได้นี้แก่ท่านนี้นะหรือว่าข้าพเจ้าขอให้อาหารที่หวังว่าจะได้แก่ท่านนี้นะครับวิกัปอาหารเป็นอย่างนั้นนะก้อนเกียร์บาราม巴拉โคชนาเปการวิกัปอาหารครับแต่นี้มายถึงวิกัปบาสนะวิจิ วิกัพหน้าต่อหน้าแล้วก็ล้ำหลังนะครับวิกัพต่อหน้าก็แบ่งได้เป็นสองแบบคืออิมังจีวารังตุยหามิกับเตมิข้าพเจ้าขอวิกัพจีวรนี้แก่ท่านนะครับหรือว่าอิมังจีวารังอิสสะพิคุณอมวิกัพเตมินะครับข้าพเจ้าของวิกัพจีวรนี้แก่พิสุทชิวติสสะอ้างชื่อศาสทม่รอื่นนะไปหารูปนั้นแต่อ้างชื่อรูปอื่นนะครับสองวิกัพล้ำหลังมีอย่างเดียวแต่ว่าขั้นตอนพอเยอะหน่อย เข้าไปเข้าไปหาแล้วก็บอกว่าอิมังจิวรังตุยหาไม่กับปัิาาธานยะธรรมิข์ข้าพเจ้าให้จิวผืนนี้แก่ท่านเพื่อเบียดแก่การนี้กับผู้รับก็จะถามว่าโกเตมิโตโววาสันติทโถวาใครเไปไ็มิหรือว่าเป็นเพื่อนเห็นของท่านก็ตอบว่าติโสพิคุเป็นต้นนะติสะครับนี่นะผู้รับก็จะกล่าวว่าติสักพิคุโนธรรมิข้าพเจ้าให้แก่ไู้สูงชื่อว่าติสัก ขอเสียงพิธีนะมีสามหลังต่อไปสิบเก้าสมมุติสิบสามอย่างหน้าที่นะครับหนึ่งสมมุติพระพาตุแทตแจกอาหารแจกกินนิมนต์สองสมมุติผู้เสนาสนะหาประกาศให้ถือศาสนะสามพิสุผู้รักษาเดือนคันนะครับสีพ่พิสุผู้รับจีวรจะมีรับคนหนึ่งนะห้าพิสุผู้แจกจีวรหกพิสุผู้แจกยาคูลเจ็ดพิสุผู้แจกของเคี้ยว แปดิสูจผู้แจกผลไม้เก้าพิสูจผู้แจกของเล็กน้อยสิบพิสูจนผู้รับท่าอันนี้เปลี่ยนนะครับเป็นผู้แจกผ้าหนังผลนะครับที่หวงแล้วไม่ให้นะเปน็นผู้แจกผ้าหนังผลสิบเอดพิสูจผู้ปะตะัตตาคาประกาศนะครับก็กคือผู้ให้เปลี่ยนผ้านะครับสิบสองพิสูจผู้ใช้คนว่นงสิบสามพิสูจผู้ใช้สัมเบลนะครับทำไมตาฟ้าฟ้าสิบสาม ต่อไปนะครับยี่สิบนะครับค้าุพันห้ามวนหนึ่งอารามพื้นที่อารารอารามก็ได้เก็บสวนนะครับสวนดอกไม้สวนผลไม้แล้วก็พื้นที่อารามพวกนี้เป็นข้าุพันนั่นแหละไม่ได้สองวิหารพื้นที่วิหารวิหารกุฏิที่อยู่ชนะสนะนะครับแล้วก็พื้นที่นะครับ <c oughs> พื้นที่วิหารนะสามเตียงต่างผู้หมอนนะครับสามข้อนี้นะครับเป็นค้าุพันแน่นอน ที่ไม่ใช่ครุพันนั้ไม่มีนะครับคนบนรูพันโลราณข้อนี้สี่นะครับรหม้อโลหะอ่างโลหะกระถางโลหะนี่น่าจําไว้นะโม่อโลโม้ออ่างกระถางหม่ออ่างกระางที่เป็นโลหะนะครับกระถางโลหะนะครับหม้ออ่างกระถางกระถานนั่นมีดควาาถึงเจอบสว่านนะครับห้าเขาวันไม้ไผ่ยากกล้องยางกมุกกาหา้าสาหมันดินเครื่องไม้เครื่องดินนะครับ พวกนี้นะมันจะมีรายละเอียดที่เราเรียนมาแล้วนะครับบางอย่างที่ไม่เป็นครุกพันธ์ก็มีอย่างเช่นเท้าวันไม้ไผ่ใช่ไหมอะไรนะที่ไม่เป็นครุพันเป็นข้าเท้ า, าวันที่ไม่เป็นครุพันธ์เป็นยังไงข้าวสงมานเปนหงแหนะครับมันโรคแทงวันนะไม่รู้แลรักษาไม่นมึ้ห่วงแหงอะไรนะครับใช่ครุพั น, นีเป็นต้นนะครับต่อไปอธิกรณ์สี่ก็เพิ่งเพิ่งเรียนมานะวิวัฒนาทาิกร อนุวัติทิกอรอภิตาทิกรกิจตาธิกรยีิบสองอธิกรณ์สมถะเจตนะครับสมมขาวินยัยสติวินยัยอมุหะวินยัยปติญญาตากรลนาเยปุญสิกาปตัปาปาปุญสิกาและตีนวัตถาละการนะครับ mm hmm. จบการสรุปหัวข้อหมดต่างๆในไปตีเป็นต้นนะครับ mm hmm. รวมทั้งหมดเจ็ดสิบหกข้อเจดหั ข, ข้อที่อ่านมาทั้งหมดนี้นะครับ ยังมีอีกแผนหนึ่งที่จะให้วันนี้นี่เป็นเสริมเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเห็นถามกันนะเกี่ยวเรื่องผ้าสังกัดนะครับอันนี้หมายถึงผาสสงกัที่ถามเป็นไตจีวอนนะถ้าเราที่ถามเป็นไตแล้วนะครับเวลาเข้าไปในระเบียงบ้านเราต้องสังกัดนึกไปด้วยนะครับแล้วเข้าไปในหมู่บ้านนะครับแต่ว่ามันจะมีเหตุยกไว้นนะเหตุเก็บผ้าสังกัไว้ด้านห้าประการนะครับ คือ1เจ็บป่วยนะครับเจ็บไข้ไม่สบายนี2 ส, สังเกตหรือว่าผลจะตกนะครับก็ได้เก็ไม่ได้3ไปสู่ฝั่งแม่นะำมันจะเปียกใช่ไหมนะครับ4ที่อยู่คุ้มได้ด้วยดามีลูกดาสมัยนี้ก็กุญแจใช่ไหมครับ5ได้การกับถินนะครับอันนี้คุมเลยแต่ว่า3ข้อแรกนะข้อ1 2 3เนี่ยต้องมีข้อ4เป็นหลักนะครับ หมายความว่าต้องบวกข้อสีด้ว ย, ยวนนถึงจะเก็บไม่ได้เจ็บไข้แล้วก็มีกุญแจใช่ไหมสังเกตเห็นว่ามันจะตกมีกุญแจไปสู่ฝั่งน้นมีกุญแจมันต้องมีข้อสี่เป็นตัวหลักคุมนะครับถึงจะเก็บไว้ได้นะสามข้อนั้นนะครับแต่ว่าข้อสี่ข้อห้านะอันนี้จะพอ็ข้อของตนเองเลยก็สามารถเก็บจีวรไว้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับสองสมุนทังอันบัตที่พบมา อันนี้นะให้หนึ่งสารแสดงออกมาแล้วหนึ่งปฐมปรารภสุนถามีการกัจิตป็นในขั้นการกัดจิตนะมีจิตเจริญเสร็จทำแล้วก็เสรด้วยกายนะครับสองอัตินาธาสุนถามีจิตวาจาจิตกายวาจาจิตมีจิตอะไรครับคิดจิตประหนะครับแล้วก็ด้วยกายก็ได้วาจาสั่งก็ได้หรือการทั้งวาจา ต่อไปกระถิ่นฐานกระถิ่นหรือเรียกว่าปฐมกระถิ่นสมุทฐานก็ได้การวาจาการวาจาจิตเป็นยังไงครับข้อเก็บเอินเด็กที่วจนกสิบวันเป็นแบ่งครับเป็นการเงินครับการเก็บวันจนสิบวันวาจารครับไม่อยอมทิฐิถามถูกต้องนะครับมันก็เลยเป็นกิริยาอากิริยาใช่ไหมครับ เ็นกินยาเพราะเหไม่เกิดอกิริยาเพราะว่าไม่หยอดอิทฐานอย่างนี้นะถ้าจิตก็คือหมายความว่าไม่ได้ตั้งใจที่ไม่จำวันผิดอย่างนี้นะครับเลยสิบวันไปแล้วกายวาจารถีก็รู้ท่ารู้ต้องตั้งใจเลยไปนะครับ c เอลกาโลมัสสมุทฐานนะครับสมุทฐานสองคือกายและกายกับจิตเป็นยังไงครับนําคนแกะเปเนการสามโยนเนี่ยครั บ, รบจะรูะ้ไม่รู้ใช่ไหม ต้องเท่านั้นนะครับกายก็เป็นสันติจารสมุทฐานช่างสื่อนะครับเท่าสมุทฐานเลยนะครับมันช่างสื่อได้ทั้งหมดเลยนะจะรู้ไม่รู้มันต้องเท่านั้นนะครับขอให้กังวลเพลากันอหกนะครับสมนุภาพสมนุภาพชนะสมุทฐานเกี่ยวกับารถูกสูุรสมนุภาพแล้วก็มายอนสลับนะครับในทางกายวาจากจิตจิตเป็นยังไงครับ ก็ยอสรลากายวาจานะครับก็ไม่แสดงการยอมรับมาที่ไหมออกมาทางการได้วาจานะครับอัถนาสุขฐานนะครับช่างชวนเดินทางกายกับมาตุภามหนึงเป็นการการวาจาการจิตการวาจาศิตรีนะครับไอ้จิตนี่มาเข้าไม่เห็นครับไม่มีจิตนะไม่รู้ว่าเป็นการ ชวนใช่ไหมถึงถ้าเป็นการช่งชวนแล้วข้อโจเอเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ช่ชชวนเนี่ยถ้าเนี่เป็นการช่างชวแล้วนะครับก็ชื่อไม่มีจิตถ้าการก็ชางชวนด้วยการใช่ไหมแล้วก็ไปด้วยการกายวาจาก็ชวนด้วยวาจาไปด้วยการนะครับถ้ามีจิตก็รู้ถ้ารู้ว่าเนี่ยเป็นการช่างชวนพููช่างชวแล้วนะแล้วก็ทาช่างชวนแล้วก็ไปนะครับต่อไปแปดขยัติสัทธาสุขาช่างชวนอะไรนะพวกโจใช่ไหม กองเกลียวผู้เป็นโจนทางกายนะครับก็มีการจิตการวาจาจิตต้องบีทั้งรู้ทั้งรู้นะครับใ น, นะนข้อนี้นะช่างชนด้วยการไปด้วยการหรือชวนด้วยวาจาไปด้วยกายร ก, า ก, าก็ได้ก้าวปทโสธรรมะสมุทฐานแสดงธรรมแก่คนประสัมบันญโดยบทด้ว ย, ย ใ, ให้ว่าพร้อมกันเป็นบทก็ได้ขณะก็ได้ใช่ไหมครับก็ที่ทางวาจาทางวาจากัจิตนะครับอันนี้วาจาเดียวนะถ้ามันมีจิตก็คือมีแนวอยู่ด้วยเราไม่รู้นะครับ มีเนี่ยอยู่ด้วยเราไม่รู้นะเราให้ ว, ว่าพร้อมกันก็ตามแบบเท่านั้นนะครับสิทนะครับธรรมเทศนาสุนทานก็คือวาจาจจิตเกี่ยวในเสกียวัฒ น, นะครับแสดงธรรมแก่ บ, บุคคลผู้มีอะไรนะไม่ซ้องในมือเป็นต้องอยู่ครับการแสดงทั้งหมดนะอันนั้นไม่เกี่ยวกับกายจิตจิตเป็นเองแค่ในข้อนั้นในเสขียวัฒนจิตเป็นยังไงครับไม่ใช่ จิตไม่เอื้อเฟือนะครับอืมครับติ๊กต้อง น, นะครับต่บอไปนะอันนี้เสริมเฉยๆนะครับองของพิสุขผู้ควรผู้ในท่ากลางสองนะครับผู้ไม่คนผู้ก็จะตรงข้ามนะหนึ่งมัเป็นผู้มีความคิดมึนมนนะมันเป็นยังไงความคิดมึนมนท่านบองว่าได้แก่พวกที่มีความรู้มากนะเวลาพูดอะไรก็ท่าบัคนนะครับไม่ทุลุกนะนะครับ พู้มีความรู้มากมักกล่าววาจาซึ่งหนาแน่นไปด้วยโลภาษโทสาแล้วก็มานะนะครับอาจจะพูกข่มพูดว่าคนละคนอื่นนะถือว่าตนมีความรู้มากนี้นะครับมีวาจาโสมมนะครับไม่แสดงประโยชน์ครับคนนี้นะไม่เป็นอย่างนี้นะครับไม่เป็นอย่างนี้สองไม่พูดสัดผู้อื่นอันนี้เพียนแล้วพูดสัดใครกว่าพูดแอบนะแอบเสีย ไม่ไม่ใช่ถ้าบตอนนี้เข้าไปไปเป็นเพราอ้างนะพูดอ้างพูดอื่นนะครับแยะะ่ที่ว่าคุนไม่ข้อนนะใช้แต่มีความรู้แต่ก็ไม่ไม่แสดความรู้ของตัวเอต็มที่นะครับกลับไปอ้างว่าคนนี้นคนนี้พูดอ ย, อย่างนั้นอย่างนี้นี่ยนะนี่นะครับถ้าเห็นแล้วผู้สมปไตยพิดพูดกับเราอย่างนี้อีอ้างคนอื่นนะ ค, ะนออครับพลาซามพูเราอย่านี้พูหน้าพูดนื่นสามฉลาดในถ้อยคำทีชื่อถึงกันนะครับก็เป็นผู้ฉลาดนะ นนะครับอ่อขณะในท้อยคาที่เรื่องราวหน้าแรกท่อยคําที่เป็นเงือนของคํำวินิจฉัยนะครับอันนี้ก็รู้ว่าจะพูดยังไงนะครับเป็นเงื่อนเป็นน้ำเรื่องราวเป็นเงื่อนนี้ก็พูดได้นะครับสี่โจต่างอามบัตดในคําและวินัยอันสมควรนะครับนี่นะแล้วก็ห้านะครับปรับตัดอาบัตดในคำและวินัยอันสมควรนะครับถ้าที่มาแต่ที่ไม่สมควรนะตรงนี้ตรงข้างนะครับ ก็คูอว่าอะไรนั่นโจ้เนะ่มีการโจ้ก่อนใช่ไหมให้เขาเล่าเรื่องถึงอาตะใช่ไหมรับแล้วก็ทำตามาต่เป็นญยานที่เรื่องที่เป็นจริงอย่ครับต่อไปนะครับสามอีมนนะอีในหนึ่งนะครับไม่เป็นผู้โกรธอ้าก็หมายถึงว่าไม่อ้างผู้อื่นนะแสดงมาตามหลักานว่าอะไรนะครับอันนี้นะสองไม่เป็นผู้ลุกราะนะครับผู้ลุกนา เนี่คนยคนพูดลูกนานว่าคนค อ, อื่นนะครับข้อนี้ชัดเจนเลยนะอยู่ในเป็นต้นว่าเข้าจะรู้อะไรอย่างนี้นะครับรู้น แ, แกเพาาิ่งหวนเมื่อวานสิแกจะไปรู้อะไรอย่าไปฟังมั่งคนมันง่อเนี่ยแกเพิ่งหวนไม่รู้เรื่องเราอ่างนงี่หงักเลยนะครับเนี่ยพูดลูกนานคนอื่นนะชันเจนเลยอย่างนี้นะครับเม่ได้ไม่ได้นะอย่างนี้ถือว่าไม่คนรพูดในทางสองส่งนะครับ สามยึดถือธรรมแล้วยึดถือตามของตามวินัยไป เ, เลยนะมันมีการบิดเบือนเพื่อจะเข้าข่ายเกิดปัญหาตัวเองนะครับสี่ขังอธรรมนะครับห้าไม่กล่าวถ้อยคำที่ไร้าประโยชน์มากนะครับต้องใส่ใจดีนะคำพูดตัวเองเป็นฐานประโยชน์ฝากในท่ า, ามกางสงฆ์นะครับอีกหมูด น, นึ่งนะครับหนึ่งไม่พูดข่มขู่นะครับไม่พูดข่มขู่หรือนะอันนี้นะครับขณะที่อธิบายว่าเอาอผู้ข่มขู่หนึ่งเขาบอกว่า มันก็อวดตัวอดตนนะถ้าเท่าไรยังไม่ได้เชื่อเชิเลยนะครับควอาศัยความทะนงตนนะอย่างเดียวนะครับบางอากาในการม่ใช่โอกาสนะครับก็พูดไปเลยไม่ต้องขอโอกาสไม่ต้องใครเชื่อเชนะก็ทะนงตนถือว่ารู้มากอะไรมากก็พูดไปเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ก็เลยบอกว่าไม่พูดข่มขู่สองพูดให้โอกาสพูดนะครับก็พูดให้โอกาสให้เข้าได้พูดได้แสดงนะเขาเต็มที่นะครับ นี่ฮสามโจตตางอาบัตบในธรรมและวินัยอสมค์ควรนี่ก็จะเหมือนกันสี่ปรตตาบับในธรรมและวินัยอสมควรห้าชี้แจงตางความเห็นเตรียมาิความว่าใจย่ังไงก็ว่าไปตามนั้นนะครับจะไม่ปกปิดไฟของตนแล้วว่าตามนัเป็นจริงเลยนี่นะครับนี่นะองค์ของผู้สุขคุพพิฆฆะกลางศพจบครับผมจบเลื่อนี้ยังมีว่าโอ้หน้าไม่ฟังนะ ออกมาแล้วนะครับว่ามันจะทำโอนาอยู่ไปแล้วนะยังต้องรีบกลับหรือเปล่ า, มามไม่เรมวใช่ไหมอ๋อได้ได้ไดมีปัญหาไหมมีครัอ๋อมีปัญหาประฉายมาได้ได้ไดนี่นะเราไปนะครับอธิบายเสบกกรเครื่ออำนาจประโยชน์ในการเรียกศกษยาบทในมีประการด้วยกันนะครับอันนี้ถ้าจะอธิบายในตอนประชิกข้อแรกนะที่จะอธิบายละเอียดนะครับ อยู่ในสถานะ น, น, น, นะครับหัวข้อของน้าเท่าหนึ่งนะครับเพื่อความรับผิดดีแห่งสองสองสเพื่อความสําราจแห่งสองสามเพื่อผลบุญบุเกุศยากสี่เพื่ออยู่สาําร็จที่สุดผู้มีสิทธิเป็นที่รักห้าเพื่อป้องกันอาสวะอาจจะมันเกิดในปัจจุบันหกเพื่อกอาาําจัดอาสวะจะมันเกิดในอน า, นาคตเจด็ดเพื่อความลื่นมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส แปดเพื่อความเรื่องใสผมชุมชนที่เรื่มใสแล้วก้าเพื่อความตั้งใหม่นพักสมธรรมสิเพื่อถือตามวินัยนะครับจะอธิบายข้อคาก็แล้วกันเนะวลาเปลี่ยนด้วยนะครับือวยเนืนะ้าบอกว่านะครับเพื่อค ว, วามรับผิดเหตุสองมีคนในนะครับนี่ก็ผมก่อนนะอุยอ้ยอันนี้นะครับเพื่ อ, อววมมมความรับผิดเหตุสอง น, นะครับ หมายความว่านั้นท่านที่บายว่าที่สุดใดยอมรับข้อหลักของพระพุทธเจ้านะครับการยอมรับนั้นนะจะเป็นไปเพื่อเบี่ยงเบ้อคลืนเพื่อความถูกตลอดการนานี้นะครับหมายความว่าถ้าบอกว่าพระองค์ทรงปิดเผยเนื้อความนี้ว่าพระองค์จะแสดงโทษในการมายย่ยอมรับและสแสดงอนิสงส์ในการยอมรับนะครับจะไม่กดขี่ด้วยพาาระลังกาหน้าใช้อำนาจอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ ก็ อ, อยู่แสดงโทษถ้าไม่ยอมรับเป็นยังไงใช่ไหมแสมีงสงในการยอมรับนะครับและจะมาอยาก้ะหาบเพื่อประสงยอมรับคําของพระองค์นะครับว่าดีละพระเจ้าข้าจึงสั่งว่าเพื่อมาริ่มมันถึงงนะครับเพื่ออยู่หาสุขแห่สงก็้ามาเพราะว่าเพื่อประโยชน์แก่ความอยู่เป็นสุขด้วยความเป็นอยู่ร่วมกันนะครับถ้ามีพระวินัยบัญญายิราหมาอะไรนะ ผมมาจากตางชื่อต่างชาติต่างขอ้อต่างสกุลใช่ไหมครับให้มีวิญญาณวิญญาณก็ทําเป็นคนี่คุณทธะนะแต่เนี่ยมีวัญญาณวิญญาณก็เพื่อนะครับให้อยู่ร่ว ม, มกันอย่างผาสุขนะครับต่อไปพวกข่มคนพวกกอ้อยากคนพวกกอ้อยากก็มามือนคนหน้าหน้ามีคนมาเต็มมาว่าก่ามาอะไรก็ไม่ยอมละอายทันทีนะครับเรียกพวกก้อยากนะกระทาการละเมิดแล้วแล้วเล่าๆไม่ละอายนะครับ ก็เพื่อขอ่มคนผู้กเก็ยากเหล่านั้นนะครับมีนะท่านอธิบายว่านะคะรับเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้เบียดสินค้าบทเนี่ยนะที่ส่วนนี้จะเบียดเบียนสองนะครับมีคนมากล่าวมาว่าท่านอย่าทำอย่างนั้นนะมันไม่ดีไม่ควรนะครับเขาจะเถียงว่ามันเป็นอาบัตอะไรพบไม่ทําอะไรเนี่ย <c oughs> มันผิดยังไงไม่เมีอาบัตท่านยกมันดิต้องอาบัตข้อไหนว่าถูกอะไรบอกมาอย่างนี้นะครับ ก็จะรู้ลูกลานจะเบียบเบียนประสงได้ น, น, น, นะครับนี่นะค ข, ขึ้นของพวกเข้าไปจ้างนะว่าท่านยกอาห์แบข้อไหนมาป่าเนี่ยแต่เมื่อสิกขาไมเจ้างส่งมาอย่างไปแล้วนะครับถ้าสง่งไปจ้างสิกขาบทขึ้นใช่ไหมแล้วก็ข่มวิสุทธานั้นนะครับโดยทําดยวิเนยุสถุสานะครับนี้นะเพื่ออยู่พานเสมอวิสุทผู้มีศีเป็นที่รักนะครับเป็นยังไง ถ้าบอกว่าูสุขผู้มีศีลเป็นที่รักใคร่ต่อิีขานะท่านเหล่านั้นนะครับอ่านะเมื่อถ้าไม่รู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทํามีโทษไม่มีโทษใช่ไหมขีดขั้นเขียนแดงนะครับถ้าพยายามที่จะทำแต่ศีขานบริบูรณ์นะเมื่อเกิดความสงสัยขึ้นน่ะท่านก็ย่อกลับบากนะครับเอ๊ศีข้าไม่มีใช่ไหมที่มัควรไม่ควรได้หรืไม่ได้นะครับท่านก็จะลำบากแล้วก็ลำคานะครับอย่งนี้ อันนี้นะแต่เ ม, มื่อเจ้าสมงยียดสิกขาบแล้วท่านก็จะรู้ใช่ไหมว่าอะไรควรไม่ควรมีโทษไม่มีโทษนะครับขีดขั้นแข่งแดงก็พยายามเพื่อความบริบูรณ์นในสินค้าด้วยความสงสัสยก็จะวิจัยได้ไรู้ได้นะครับต้องไม่ลาบากนะอันนี้ก็ชื่อว่าเพื่อความอยู่ฐานสุด ข, ของพิสุภุมีศรีเป็นที่รักอีกอย่างหนึงนะครับอาการที่สามารถข่มบุคคมผู้ก็ยากได้นั่นแหละนะครับเป็นความอยู่ฐานสุด ข, ของผูพิสุภุมีศรีเป็นที่รัก เพราะว่าถ้าของคนอ่านี้ไม่ได้นะครับอุโบสถก็ดำลงอยู่ไม่ได้ภาวนาก็เป็นไปไม่ได้ศรัรธาก็เป็นไปไม่ได้นะครับความสามารถขีดต้องอดที่มีพ่อพิสุภูอราชีเนี่ยมันเยอะใช่ไหมถ้าพูดทูกสีเลยนะครับอืสมมติง่าๆมาถลาเไปอยู่วันหนึ่งนะมีแต่ภาพที่มีดีอย่างนี้นะเขาไม่ได้ใส่ใจวีนัยในหน้าดูนะฟังเพลงนะครับไปทุกสีเลยก็น่เดี๋ยวยินเสียงเพลงนะ ตึมตึงตึงตึงเปิดเพลงแข่งกันนะั่นแล้วก็ทําผิดอะไรสารพัด น, นะครับกินข้าวเย็นอะไรสารทุกอย่างอะไ ร, ไ ร, รนะถึงขนาดเอามานอนอะไรทุ่สีแล้วนะครับแล้วเราจะอยู่หาสุดได้อย่างไรใช่ไหมครับเราจะไปร่วมโบสถโปรงนะทํากรรมอะไรได้อย่างนัไม่ได้ใช่ไหมครับและพวกนี้ก็มางทีมีทั้งมีพวก ม, มีอะไรนะลําบากอะไรนะครับอยู่เลยเป็นไปไม่ได้เลยนะแต่เมื่อบุคคลเหล่านี้นะครับถ้าบอกว่าท่านเป็นอย่างนี้แล้วนะ ที่สวน อ, อารมณ์ก็จะไม่เป็นหนึ่งนะครับแล้วอยู่ในวัดอย่างนะั้นเจอแต่อย่างนั้นใช่ไหมครับจิตไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธินะการในการศึกษาอะไรก็เป็นไปนไม่ได้จริยมาริตตกรรมต้องพูดถึงนะกรรมฐานยิ่งห่างไกลเลยนะครับแค่มีคนขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมานี่ก็ลาบากแล้วใช่ไหม mm hmm. เจอลพละองค์ฝรังนี่ก็หนักแล้วนะครับแต่ถ้านัถ้าทํากันเองในวันอย่างนะั้นนะลาบากเลยนะครับ mm hmm. แต่เมื่อเหล่านี้ถูกขงมแล้นะครับอันตรายทั้งหลายที่ว่ามานี่ก็จะไม่มี นะต่อไปนะครับเพื่อป้องกันอาสาามรถจะเป็นไปปัจจุบันอาสวะก็หมายถึงว่าโทษนะครับการถูกลงโทษลงทันที่ได้รับ<อ>มีการถูกตบถูกตีถูกทําร้ายนะครับถูกตัดมือตัดเ้าเสียชื่อเสียงความเสื่อมยศและความหรูหรต่างๆใช่ไหมครับพระเจ้าทรงมีสิกขาบอไว้แล้วน ะ, ะก็จะป้องกันอาสวะโทษ ภ, ภายหลังนี้ได้นะครับนเะพราะการทําผิดบางอย่าง มันเกี่ยวกับการผิดกฎหมายบ้านเมืองเป็นหลักุส่วนรู้ใช่ไหมครับวันนี้ไปทําผิดแล้วก็ยิงลงโทษได้ต่อไปเพื่อกําจัดอาสะวะอันเป็นไฟในสัมภายะพบ ก, ก็ได้แก่เมื่อนะครับได้แก่นะครับไอความผู้ต่างที่จะได้รับในพบน้านะครับที่เกิดการทําบ่าทาชั่วนะนี้นะครับแม้ว่าถ้าทําผิดวินัยอะไรมาขอใช่ไหมที่แปลคุณสมบัตมาบ่นะ เป็นเห็นไปอภัยตกนลกหน้าที่เมื่อถึงตุ้กติอมาญภูมนะเมื่อพระองคมญสิกาบุตรไปแล้วก็เพื่อป้องกันตรงนั้นนะครับท่านก็จะไม่ทําชั่อตรงนี้ที่แม่และก็ไม่ต้องไปสวยผลของกรรมชั่อตรงนั้นนะครับเชื่อเพื่อกําจัดและสละวะอันเป็นไปัญสัมปันยภพเพื่อความเลือกสใยของมุนชุนเทียมนั้เลื่อยใสนี่ถ้าพูดถึงว่าเมื่อพระเจ้าเมญสิกาบุตแล้วนะครับมนุษย์ผู้เป็นบันดิตทั้งหลาย เอาบดิบเป็นแกณฑ์นะแม้ไม่เรื่มใสนะครับพอได้สร้าบสิขาบทบัญญัติใช่ไหมว่าพระเจ้ามีสิขาไว้อย่างนี้อย่างนี้ได้ไมาศึกษารเรานมียนนะครับคนก็กโว้ซึ้งเลยนะครับโห้ขัดเกลาขนาดนี้เลยนะแล้วก็ได้เห็นต้องหลาบไปพูดตามสิขาบทบัญญัตินะครับไปพูดตามแข้คขันใช่ไหมดูสวยงามมากนะครับก็จะเกิดความเรื่มใส่สัทผันะว่าทำเหล่าใดหนอเป็นที่ตั้งความกำหนักความขัดเคือง คามรุ่งโรงของมหาชนในโลกสมณะศาคยยุทธเหล่านี้ย่อมอยู่ห่างเหิหเว้นจากคำเหล่านั้นพ่อเห็นรู้พระวินัยใช่ไหมเห็นความผูน้นิยามของพรก็จะรู้อย่างนี้นะครับหลวงพ่อผมเคยเล่าใหฟังนะท่าเนเคยไปเทศในในคุ้มนะครับและท่านก็เล่าถึงความประอยู่ของพระว่าต้องไปอยู่ยังไงบ้างต้องตื่นแต่เช้าตีสามตีสองมั้งตั้งแต่ตีสองครับไม่ตีสองกีสามนะมานั่งสมาธินะครับ เวลาหน้าหนาวก็นานนะแล้วก็ตื่นน้อยก็ดึกนี่แหละสี่ทุ่มนี่นะครับต้องขันกาต้องเพิ่มในอะไรอย่างงี้นะพวกคนในคุกพอฝังแล้วบอกโอ้ลำบากจริงทุ่มจริงนะครับเผลอออกไปนั่งเรือนตัวเตือนอยู่ในคุ้มนะครับก็เลยบอกว่าท่านงั้นให้มันอยู่กับพวกเราดีกว่าจะไปสร้างแล้วมันลาบากใจนี่เนี่ยถ้ารู้สึกว่าอยู่ในคุ้มสบายกว่านะครับเป็นคุ้มของพวกฝลั่งนะไม่ใช่คุ้มเมือไทยนะ มันจะมีคว่อ ข, อของพลังบางปรเทศใช่นหมครับมันอ ย, อยู่เป็นห้องอะไรนะอยู่เป็นห้องอย่างดีนะครับนึกคงเพื่นะกระถัดเป็นหัองน้องเป็นห้องแล้วนะ ไ, ไม่มันไม่คงมีใครข้างก็เลยเห็นว่าท่าอยู่ลำบกห้อง น, นะครับต่อไปนะครับอย่างนี้นะ่าจะเป็นยกะตัวอย่างนะครับเขาจะรู้สึกว่าเนี่ยพวกเธอทำการที่ทำได้ยากเนอ ทำกิจที่หนักหนอโอ้หน้เรูปใสมาไม่ใช่ธรรมดานะมาขัดเกาอะไรนขนาดนี้ใช่ไหมครับดูหนังฟังเพลงอะไรก็ไม่ได้ถ้าเราทำได้หมดเลยนะครับเหมือนกับครั้งเป็นมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่งแกรู้ใจแค่นะครับพอแกเริ่มเห็นคำพิพากษาได้มาศึกษาอย่างนี้นะก็เกิดความรูปใสสัมพันขึ้นมานะเนี่นะต่อไปเพื่อความรูปใสที่ผมพูดถึงที่เรื่องใสแล้วหมายถึงว่าคนระบุทั้งหลายแม้เรื่องใสในพระศาสนาแล้วนะครับ คำลาวก็เป็นเรื่องสายอยู่แล้วนะพอได้ามาศึกษาพระพิณายได้ทร า, าบสิกขาบทบัญญัตินะครับแล้วก็เห็นสุธมานที่ปฏิบัติตามในพระบัญญัตินั้นนะก็จะยิ่งเลื่อมสยยิ่งขึ้นไปนะครับว่าโอ้พระผู้เป็เจ้าเราใดคอยฟ้ารักษาพระวินัยซึ่งมีอาหารครั้งเดียวตลอดชีวิตเป็นความประพฤติประเสริฐผู้เป็เจ้าเหล่านั้นเป็นผู้ปกติทํากรรมที่ทําได้ยากนะครับต่อไปนะครับสองข้อท้ายนี่เด่นนะคราวนี้ เพืลล่อความตั้งมั่นในพระสัธรรมเอาสัจธรรมมีสารืออะไรบ้างครับปริยัติสัจธรรมปฏิบ 15, ัติสัธรรมปฏิเวทสัจธรรมปริยัติไ่ได้แก่เดี๋ยวพอปคือก็จะจทั้งสิน้สบบนะะบบนะครับปฏิบัติอผู้นงนะเอาขั้นปฏิบัตินะครับผู้นง13บสามขั้นเท้าวัดสิ่มหาวัดแปสีสอีชมาทิวิปสนานะครับนี่นะขั้นปฏิบัติตั้งแต่คุณจะไปปฏิบัติขั้นกระเรื่นผู้นง หรือว่าปฏิบัติในการทาวัดปฏิบัติต่างๆนะครับอันที่เรียนถึงว่าเราเรียนทฤษฎีเฉยๆนะแต่เฉยๆเรต้องเข้าถึงการปฏิบัตินะครับตั้งแต่เริ่มทาวัดถือว่าขั้นปฏิบัติแล้วนะคั้นตระกั้นวัดอาจจะเริ่มประชายวัดนะครับเป็นต้นอย่างนี้นะแล้วก็มหาวัดปฏิทินวัดที่พิสุทธิ์พูดปริว่าต้องมาขึ้นเป็นต้นนะมันจะมีหลายอย่างนะครับแล้วการรักษาสีประพฤติสีให้รักษาสีเชิสมานที่ถึงขั้นชนมิปัศสนาต่าง น, นี่เป็นขั้นปฏิบัติแล้วนะอะไรนะครับต่อไปอธิคมสังธรมก็ได้แก่อะไรครับมันสี่ผลสี่นิทานหนึ่งนะครับถ้ามองว่าเมื่อมีสิยษ ย, ย, ย์ข้าบทบัญญัติแล้วที่สุดท้ายเนี่ยก็จะเรียนยสิษย์ข้าบทแล้วก็วิพาศ์สิ์ข้าบทท่านก็จะเรียนข้าบัญญัติศิกขาบทเช่นก็ปัติโมกเนี่ยนะแล้วก็เรียนคําวที่ใบคล้องนะครับแต่ไม่ใช่เรียนแค่พระวินัยอย่างเดียวนะท่านจะเรียนพุทธมัจจนะเห็น เพื่อส่องความสิกขาขอและวิพังนั้นนะครับบางทีเราต้องนิพพสู่บ้างภาค่ทํามบ้าเพื่อให้เขาจ้งความในภาควินัยได้ๆนะครับเพราะบางเรื่องในภาควินัยถ้าไม่ได้บอกไว้เด็ดตรง น, นะแต่จะมีบอกว่ในพระสู่ก็มีนะครับในพ่อในสามันจะผลสู่นั่นไปดูนะหรือพ่าแม่หน้าสามสามยมผลสู่นะครับตอนนี้อธิบายถึงอะไรนะมหาสีมัชมชิมาสีอะไรห น, นะครับตรง น, นั้นนะมันจะมีการพูดถึงนะครับ เรื่องเกีย่ยววินัยบางีต้องต้องไปศึกษาไปสู่เหล่านั้นด้วยที่จะเข้าใจวินัยได้ดีนะครับแล้วก็ต้องศึกษาภาค ท, ที่ทําบ้านใช่ไหมอือนะครับทำบ้านต้อยู่สามต่อสาพีเด็กดอะไรอย่างนี้นนี่นะครับเขาก็เลยบอกว่าต้อศึกษาเพื่ว่าจะได้ที่เพื่อส่องฟังเอกสารบทแรกคำที่บาลนั้นนะครับทีนี้เมื่อปฏิบัติสึกขาบทตามที่ทรงมาญญัติไว้ตอนแรกท่านศึกษาก่อนใช่ไหมโดยเฉพาะและกำมางที่ปฏิบาาัติตามนะครับ ย่า บ, บรรลุโลกุญญาธรรมนะครับเพราะว่าสีเมียวผื้เริต้นเป็นที่ตั้งนั่นใช่ไมดังนั้นก็ไปเรียนวิปัสนาปฏิบัตินะครับที่ก็จะบรรลุได้ที่ตอนจะพึงบำเพ็ญข้อปฏิบัติแล้วบรรลุได้ด้วยความปฏิบัตินะครับพราะเห็นนั้นนะศัตรูแม้ทั้งเส้นนั้นจึงชื่อว่าเป็นสภาพมีความตั้งอยู่ยั่งยืนด้วยสิกขาบทปัญ ญ, ญานะครับเพราะมีพระวินัยแล้วพิสูจน์ว่าจะมีการศรรรรรึกษานพระวินัยและอึกษาคผูทุกข์อย่างอมบูรที่มั่งค่า แล้วก็เป็นแบ่งแผนในการที่จะมาปฏิบัติใช่ไหมตั้งแต่รักษาศีแล้วก็ขัดกล้าวถึงขั้นปฏิบัติแล้วก็บรรลุได้ใช่ไหมครับจริงชื่อว่าอะไรนะเพื่อความตั้งมั่นพระศิธรรมนะครับต่อไปเพื่ออนุครอบพระวินัยนะครับอเพื่อนุครอบพระวินัยนี่เป็นยังไงท่านบอกว่าวินัยสี่อย่างคือสังวรวินัยสังวรมีห้าอย่างใครจําได้มากครับสิและสังวรสิสังวรกินสิสังวร สติสังวรคันติสังวรพยานสังวรนะครับคําอธิบายก็ไปดูก็แล้วกันแน่นอนอิมาร์อิมาร์เต้องการรายละเอียดนู่นนะครับแล้วก็ปะหารวี่ไยปหารปะหารห้าเขาแบ่งเป็นห้านะครับมีอะไร้นะเขาทำข้าวปะหารซึ่งเชื้อปะหารมีของพระน่าปะหานนะครับ ตานุการละปะหานะครับเรืนะ่องแล้วก็ปะหาอื่นนะครับจะนิสระน่าปะหารหรืออะไรประหารเน ะ, ะนะครับนะไม่จำไม่ได้เกี่ยวกับะหาเกี่ยวกับผมก็ขึ้นมาดูและนะครับมีห้าอย่างนะแล้วก็คาถามวินัยได้แก่ที่การละสมมติฐานที่เราเรียนมานะครับแล้วก็บัญญัติวิ น, ยนัยได้แก่สิทธาบัญญัติย่อมเป็นอันส่งอนุเคราะห์ครูประถามสนับสนุนไว้เป็นอนันดี คืเมื่อมีสิษย์ข้าบทเนี่ยนะก็ได้เท่ากับว่าเป็นการหาลูกครอกนะครับคือสนัสนุนประถรรมนะครับวินัยที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยพอเมื่อมีสิษย์ข้าบทแล้วจะมีการศึรกษาแล้วปฏิบัตินะไหมศีลเบื้ต้นทุกอย่างไหยนะครับไม่อตอนแรกนั้นขึ้นศีลสังวรเลใช่ไหมจนปฏิบัติก็จะมีการร่างคีหีใช่ไหมยอย่างน้อยก็เป็นแบบทางข้างสัมพนันธ์อะไรว่าไปใช่ไหมครับแล้วก็สมถะก็มีนะการร่างเงาอภิกร มีการสาปฏิบัติการเหล่านี้นะครับในชื่อว่าอนุข้อนะกลุประธานสนับสนุนเขาเท่าในเหลัานั้นว่าเป็นอันดีออันนี้ให้จบนะครับจบตรงนี้แล้จบเลยนะจะพูดอะไรซะหน่อยเนี้ก็จบแล้วนนครับนี่นะตเตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวพูดม่ให้ดีนะท <c oughs> ุกที่เรื่องเราเรียนวไิไหนนะครับเราเรียนเพื่อประโยชน์อะไรครับ เพื่อรักษาตัวเราเพื่อปฏิบัติเพื่อรักษาตัวนี่ยเวลาเราปไหนมาไหนมีวิธีไหเป็นที่ต่ำที่พึ่งนบเพื่อจีตจิตว่างจิตจันทร์ครับได้มงได้มงแล้วก็เพื่อดำลังรู้จักนานไหมครับแสงตา สำคัญที่สุดใช่ไหมก็คือเพื่อตัวเราเองอยู่นะครับศึกษาเพื่อได้เข้าใจเพื่อจะรู้ปฏิบัติตามถูกต้องได้ใช่ไหมครับพอเรามีความรู้แล้วนะแล้วก็ช่วยนุ่งคล้องคนอื่นที่ยังไม่รู้นะครับด้วยจาใจนุ่งค้องหวังประโยชน์นะไม่ได้ว่าจะไปโจทย์แปลอะไรเท่านะครับต้องตั้งจิตแม่ตามเบื้องหน้าแล้วก็ไปแนะนําผู้อื่นองของการโจทย์ใช่ไหมจำได้ไหมผมเขียนตอนนั้นนะจริงการอ่อนหวานประโยชน์เม่ตานะครับ จะยปบอกอะไรค่านสคนนะเย่าไปเน้นประโยชน์คนถือนมากเกินไปให้ใส่ใจที่ตัวนะครับพวกเราเรียนมาแล้วใช่ไหมตัวเองให้ได้ก่อนนะครับถ้าเราต้องการรู้ข้ขอความอื่นแล้วก็ต้องมีนั่นจริงการอ่อนหวานประโยชน์เมตตาแล้วก็นู่นข้ขอบอกการแนะนําเข้าไปนะครับเห็นว่าถ้าใครมีความรู้ก็อกเปิดสอนเลย <c oughs> เปิดสอนไปเลยนะครับไม่ต้องกลัว มีผ้าใหม่ในื้อหม่นั้นไม่รู้เรื่องใช่ไหมแล้วก็ช่วยแนะนํำให้ถ้เราจะได้นะครับพอสอนแล้วมันจะได้ค้นนะไม่ได้ค้นเยอะนะครับนี่แะเราไม่ได้เรียนพราะว่าจะไปเพ่งทอดไบอะไรใครทิ้งนะครับสมัยสูงสุดหน้าการเรียนภาพวินัยนะครับการประโยชน์ภาพวินยัยมันเป็นประโยชน์ของการนี่ก่ น, นะผมเขียนไว้ครับภาพวินัยเนี่ยครับหาว่าเป็นประโยชน์อะไรในะ น, นปัญญาอัปนานประโยชน์สามอย่าง ตอบว่าปาจิโมกมาสังวรศีนะครับเป็นไปเพื่อปรมาถาประโยชน์คือเพื่อความพ้นทุกข์พวกท่านผ่านนะครับปาจิโมกกำลังเคยอันนี้ความหมายว่าอย่างไรนะตอนแรกนะครับปาจิโมกมาสังวรศีนะ่ะศีลที่ยังบุคคลผู้รักษาให้พ้นนะครับจากทุกข์ใช่ไหมทุกภัยทั้งหลายใช่ไหมครับจากทุกต้องหลายมีทุกข์อะไรนะครับ ทุกใน่วัยทุกในสังสารวัตจากภัยมีการสืบเทียนตนเป็นต้นจะมีตรงนั้นหน้านี่นะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของพระวินัยนะครับก็เป็นไปเพื่อปรมาถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานอะไรนะครับทงส่ดเลยนะขณนะนั้นพอเราศึกษารู้แล้วใช้ปฏิบัติให้ถูกนะครับเอาสีปปาติโมแล้วก็ทํำข้อวัดปฏิบัติ ต, าต่างๆมันเป็นการขัดกลอปายในตัวนะ ข่าวก่าเพื่ อ, อที่จะส่วลาในอ่อนโยม น, นะครับอ่อนโยนนะเมื่ อ, อที่จะใส่อ่อนโยนแล้วนะครับการที่จะไปฝึกนะครับจะริยนกุศลขั้นภาวนาสมถะ น, นะครับลึปับช น, นีะมันก็จะได้สะดวกพอได้ฝึกมาแล้วตัวนี้เป็นฐานอย่างดีเลยนะแต่ถ้าสีเราไม่ได้นะครับถือว่าใจิตใจเรายังยังไม่อ่อนโยนพอใช่ไหมยังฝืนไม่พอนะครับก็จะไปทปําถึงขั้นสูงนั้นไม่ได้นะครับทุกอย่างเลยเนี่ยการทำวัตปฏิบัติต่างๆนะ อย่ากคิดว่าเป็นการเสียเปรียบเนี่ยมันมีแต่ได้กับได้ตลอดนะครับเราทํำเราก็ได้กันแล้วใช่ไหมไอ้ทำข้มัดทําอดทิศีลทาการสินขานะครับเนี่ยเรามีแต่ได้กันได้เราต้อง่าต้องการสุดเขาทำมากแล้วก็ไปชื่อฟัวแล้วก็บอกชี้แจงข้ออิจประโยชน์นะครับแล้วก็แนะนํากันไปนะรู้ประชุมก็ได้เวลามีอะไรใช่ไหมคุยกันดีๆหรือไม่ใช่ไม่ได้เพ่งเขานะครับคุยกันได้นะครับ ประโยชน์เป็นอย่างนี้ะนะเพราะเราบอกว่าการอะไรนะพรมัญจันจนี้นะครับครเอาใครเอาหน้ไหมนะืนซิวายพรนารูปคู่มโยนจะพูดตรงนี้ฟันิดหนึ่งนะเหมือนสวยมินพระน้ารู้คูม่ย ม, มะะยเ พ, พรมัญจันจนี้ไม่ได้มีลากสาแลนะ้นะครับอ่อาย่านนะ ในนี้มีไหมคได้เอามาแล่มหนึ่งจะดูปกหลังเีเฉยๆปกหลังเขาจะเขียนเอาไว้ เ, เล่มปกหลังเขาเขียนอ่าใช่ใช่ใชนี่นครับนด้ไ ด, ได้ดูก่อ น, นครับพระพุทธเจ้าตัดไหมนะครับว่าดูก่อนพรานพรมจันทร์นี้ไม่ใช่มีลาบสการะแลกความสรรเสริญเป็นอันสง ไม่ใช่มีความถึงพร้องแห่งสีเป็นอนิสงส์ไม่ใช่มีความถึงทร้องแห่งสมาี่เป็นอนิสงส์ไม่ใช่มียากรรนัเป็นอนิสงส์ธรรมจันท์นี้มีเจตวิมุตติอันไม่กำลเิกเป็นประโยชน์เป็นแก่เป็นที่สุดนะครับสูงสุดของการพุทโธรรมจันท์ที่ศาสนานี้นะครับเพื่อเจตวิมุตติก็คือมรรลุพระา ร, ราหัต์แนี้หมายถึงพระอรหันต์สมผนะครับก็หมายถึงปฏิบัติสมมรรุษย์อาหั อันไม่กาเริบนะตอนนี้นเป็นประโยชน์เป็นแก่สูงถึงในพระศาสนานะครับไม่ได้มีรากสักการะเป็นอันนี้สองเลยนะอันนี้แบบโอ้โหยามากใช่ไหมครับไม่ใช่นะเราไม่ได้เพื่อความจังเพื่ออันนี้นะครับไม้เพื่อความถึงความหมาเสียงยังไม่ใช่ไม่ใช่แค่นะั้นยังถือว่าน้อยไปเพื่อความถึงความสมาธิก็ยังไม่ใช่ครับได้ฌานสมาบัติปัญญามีนิมีเดี๋ยวหัเดือดอากาศได้ไม่ใช่แค่นี้นะ ไม่ใช่ยาทัศนะนะครับได้มีปรสน า, านาายขั้นต่างๆนะก็ยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่สูงสุดนะเพียงแต่ว่าต้องมีก่อนใช่ไหมตอนแรกศีลสมาธิแล้วก็ได้ยาได้อะไรอะไรก่อนแต่ไม่ใช่อะไรนะตรงนี้เป็นอนิสงส์เป็นแก่นแท้สูงุดนะครับแต่มีการได้บรรลุเป็นพระาห์นนะหรืออรหันตผลนะครับเจดจอวิุทธ์นะไม่กระดกนี่แหละเป็นประโยชน์สูงสุดเลยนะแล้วก็ต้องรู้ว่า การโหวตเขามาพูดศสนาเนี่เพื่อประโยชน์อันใดที่ไหมครับเพื่อความซึ้นถูกพุทธนิพพานนะครับถึงอะราี่เป็นปัญหาก็แล้วแต่นะผมว่าผมยังไม่อยากครับเอาไปเอาผู้อะไรก็อาจารย์จะให้นิพพานอย่างเดียว <c oughs> อไอ้อะก็จะให้ปฏิบัติพุทธนิพพานอย่างเดียวผมยังไม่อยากปฏิบนะัติน่ะผมอยู่ในสศาสนา้ได้ก็ดีแล้วอาจารย์จะเอาอะไรก็นั่งหนา <c oughs> ผมอยู่แน่ไมนถึงก็ดีแล้ว อาจารย์จะอะไรก็นั่งน่ะคือว่าไม่ได้บังคันะครับเรื่องการปฏิบัติไม่บังคับไม่ได้เลยนะมันต้องอยู่ที่ใจนะครับเป็นเรื่องที่ละเอียดออกแล้วถ้าถ้าบังคับที่เสียอะไรนะครับมันทําไม่ได้ขนาดคนที่มีแบบศรัทธาจะปฏิบัติเต็มที่นะไปปฏิบัติยังทำผิดเลยนะครับถ้าอย่งคนที่ไม่มีใจนะบังคับไปปฏิบัติร่างขอขึ้นมาฐาอะไรอย่างนี้นะครับเสียอะไรนะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับเขาจะเสียหวงปา มันต้องเกิดมาจากคตาเห็นประโยชน์นะครับใจที่มันศึกษานะจะเห็นคุณค่าแล้วนะครัตรงนั้นนี้เราต้องรู้ว่าอย่างนี้นะถึงว่าใจไม่ยังไม่น้องไปนะครับแต่ขอให้มีใจอย่างนี้ว่าการที่เราจะพ้นจากทุกนะครับแบบว่าไม่ต้องมาทุกเลยนะไม่ได้มีทางอื่นแล้วนะครับมีแต่ทางอะไรคือพระนิพพานแหละนะคือการมาปฏิบัติตึงที่สุดนะบรรลุปเป็นพระอาหันต์ใช่แล้วก็สิ้นทุกข์กันนะครับไอ้ที่ว่า อ่าอุบายวิธีอย่างอื่นนะ่นที่จะใช้คนจะทุกข์สิ้นเชิงไม่มีเลยครับที่จะอยู่ไปมาายอมตะยังยืนตรรกะการนั่งนั่งรอดใช่ไหมไม่แก่ไม่ตายยังไม่มีนะครับมันต้องเรียนว่าตายเกิดแล้วส่วนใหญ่เราไปที่ไหนนะ่ะเราไปอาบายกันบ่อยที่สุดนะครับมันก็บ้านเก่าเลยนะที่ว่าสรารสารว่ายาวไกลนะ่ะไม่ใช่อะไรนะครับเรามา่นด้มาเกิดกันบ่อยครั้งนะนะส่วนใหญ่ก็ไปอุบายนะครับพ่อโมมาระมาณขาสสดสติใช่ไหม เราเกิดมาไม่ช่ว่าเรามาันจะพูดศสนาทุกพวกขุช่างนะครับบางพวกมันช่างมันก็ไม่เจอเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็ยังมีกิเลสมันก็พายไปทําทําชั่วแล้วก็ต้องไปเสียความทุกข์อย่างนี้ติดนะครับเราตนน้งเสพผ้าดูนะใครในคนเจ็บไหมครับคนที่ป่วยเป็นโรคมันอะไรนี่ทรมารโรคอะไรก็แล้วแต่นะหรือโรคเอย่างนี้นะครับนั่นนะเราเคยเป็นแล้วนะครับในสังสารวัฏ น, นี่นะแรกนานคนก็ยังไม่แน่ใช่ไหม อาจจะเป็นขึ้นมาก็ได้นะครับอยู่ดีปุ๊บปั๊บเกิดเป็นโรคอะไรขึ้นมานะเราต้องเจอกภาพที่ทุกข์หนักขนาดจะ น, นึกภาดออกนะครับอันนี้ความทุกข์ในโลกมนุษย์นะและความทุกข์ของสัตว์บาลขนาดไห น, นครับสมรรคที่มันแบบต้องทนทุกข์กทรมานตลอดนะไม่ว่างไว้นเลรอยกางนนะครับแล้วก็พวกเปลยต้องหิ้วห่วยกระหายนะทั่วศรรการที่มันต้องเล่ยล่อนคอยหวั่นระแวงต่อสัตว์ที่มีอำนาจเหนือก ว, ว่าจะมาเบียดเบียนนะครับ พวกในราชก็ยิ่งเบียดเบียนกันใหญ่เลยใช่ไหมสัตว์แล้ง ก, กินสัตว์ใหญ่เนะควายหวานเราแหวนเราไม่ค่อยมีความสุ ข, ขหรอกนะโดนสัตว์ที่ใหญ่กว่าไล่ล่าฆ่าเป็นอาหารใช่ไหมครับนั่นมัก็หวานราแวงมีความทุกข์มากนะครับเนี่ยซึ่งเราก็ยังไม่พ้นจากสภาพเหล่านั้นได้นะถ้าสารสาระวัตยังไปไปอยู่ะครับเราเคยทาความชั่วไหมว่าตอนนี้เกิดมาเคยทำความชั่วไหมผิดศีลอะไรนี่ะฆ่าสัตว์อะไร น, นะงไงนี้่นะใย่ไหมครับเคยนะ ที่เป็นครารวา่าหะเด็กบ้านนอกนี่เยอะเลยนะครับสารพันดเลยนะถ้ากรรมทุกอย่านั้นให้ผลนะครับโอ้เราจะขนาดไห น, นครับไม่ต้องเลยประสงค์ความทุกข์ขนาดไหนนะไม่ต้องคิดถึงเลยนะครับนะอันนี้นะครับผมไม่จําำํานวนนี้ได้นะถ้าบอกว่าอยู่ในอะไรเนะหันทิปาละชาดนะครับท่านพูดว่าเมื่อสารสารวัยังเป็นไปอยู่ นั้นฉันจะไม่พ้นจากผลกรรมชั่วนี้ไปได้เลยนะครับก็ต้อไงไปเสวยผลกรรมชั่วนะั้นใช่ไหครับมันก็มีหนทางเดียวที่เราต้องมีไว้ในใจนะถึงใจมันยังไม่น้องไปเพื่อผ่นิผ่านมันยังไม่ปัญญยากปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่นะแต่เราทําตรงนี้นะครับถือว่าเป็นการทำเหตุมาแล้วนะสร้างเหตุไว้นะครับเพื่อสูงสุดตรงนั้นอย่างนี้นะต้องมีใจว่ามีแต่ทางนี้ทางเดียวที่จะพ้นทุกท่านจริงนะครับ แต่เวลาเราพูดเราแสดงเนี่ยเราไม่สามารถจะพูดให้ย่อหย่อนได้นะเราก็ต้องพูดสุดๆอย่างนี้นะอันไหนที่เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นสุดยอดถูกต้องนะครับเราต้องพูดไปอย่างนั้นเลยว่าเราศึกษาเพื่อไปอย่อะไรบอกว่าปริยัตของปุรุชน์เพื่ออะไรนะครับนิสสุลนัทธาปริยัตนะครับเรียนปริยัตเพื่อการสลออกจากทุกข์นะไม่ใช่เพื่อประกาศเพื่ออะไรอย่างอื่นเท่านั้นนะครับไม่ใช่หน้าแต่กล้าอีส่วนๆนนิดหน่อยไม่ใช่อย่างนั้นเลยชั่งนิดหนึ่งนะครับ เราามาสแสดงต้องอย่างนี้จริงนะคุณจะไปพูดหรืออะไรนี่ไม่ได้เลยนะครับมันจะเป็นเห็นให้ศาสนาเสื่อมแล้วก็คนรู้หนุ่มหลังนะจุดที่นี้แบ่งอย่างแล้วก็ทํำย่อหยองนะครับแต่ถ้าใครจะไปทําอะไรก็เรื่องสตัวไปแต่เว่ า, ามาสแสดงแล้วต้องตรงอะไรพูดตรงไปอย่างนั้นนะครับนี่เลยแต่ทีนี้ใครจะทําทได้แค่ไหนนะ่ะมันก็เรียองส่อตรงอีกบุคคลหนึ่งใช่ไหมครับไม่ได้มีการบังคับนะถึงก็าบอกว่าโอ้ยถึงขั้นสุดๆแล้วนะ มันไม่ได้จริงๆนะเอาว่างพมวีในศาสนานี้ได้นะและก็ใจเป็นกุศลไม่ศึกก็พอแล้ว <c ười> อันนั้นก็แล้วแต่นะครับนะเพราะว่าท่านยังไม่ได้ถึงที่ไปปฏิบัติเพื่อคนทุกจริงใช่ไหมครับในอย่างนี้นก็ได้นะครับก็ถือว่าบุญเข้ามาได้มาศึกษาปฏิบัติขังการเรื่องสีเรื่องข้อว่ า, างเนี่ยนะก็ได้สร้างวามนิสัยปัจจัยไม่มีเสียหายนะครับอือแต่เวลาแสดงเวราจะไปพูดจะไปแสดงจะอะไรก็แล้วแต่นะ ขอทุกคนยืนยันมาถึงนี้ถูกต้องเอาไว้นะครับอย่าบิดเบือนเข้าข้างเกิดอะไรใครแม้แต่นิดหนึ่งเลยนะมันจะเป็นโทษนะครับอันนี้เน้นย้ำไว้นะครับเนี่ยนะก็ขออนุโมทนากับทุก ท, ท่านนะครับที่อไอนะตั้งใจนะครับสู้มาอยู่ถึงวันสุดท้าย <c oughs> <c oughs> นะครับถือว่าตั้งใจเรียนกันดีน ะ, ะนะครับในท้ายที่สุดนี้นะครับขอให้ ขยนกันนะก่อนห้เราท่านทั้งหลายนะครับจอผู้ยินดีในการที่จศึกษาและก็ปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งๆขึ้นไปจนถึงความมิมุติพ้นคือพระนิพพานด้วยการทุกท่านทุกคนเธอศึกษาศึกษาศึกษาย่างๆ่งอีกหน่อยนะ่เดี๋ยวผมจะขอเข้ามาสักหน่อยนะครับนะี่ครับ ถ้าผมได้กระทําอะไรไม่ดีไปนะครับต่อ น, นักศึกษานะาทางการทางวาจาทางใจอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ผมกระทาไม่ดีได้ทูกเกิดไปนะจะเจรณาจะจิตนาหรือไม่ก็ตามต่อหน้าหรือว่ารําหลังนะครับขอท่านหน้าหลายจะออนเท่า น, น, นั้นให้เกี่ยวกับผมด้วยนะครับก็ผมขอเป็นตัวแทนนักศึกษาครับก็ขอขอบคุณ อาจารย์อาจารย์เลยนะที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพระธรรมวินัยเพื่อเป็นกราะเป็นที่ป้องกันเพื่อให้อดทนเพื่อรักษาตัวเนี่ยประกอบคุณอย่างมากครับที่อาจารย์เสียสะเวลาทุกวันโดยที่ไม่มีการตอบแทนไม่มีทางตอบแทนที่เป็นอะไรจริงๆก็ขอบคุณมาอาจารย์ขอบคุณครับ